อนิจจาน่าเสียดายฉันทำชีวิตหายสักครึ่งหนึ่งส่วนที่หายช่างลึกซึ้งมีบุกผาและดามานโครงของคุณอังคารกัญาณะพง์เราทุกคนทำชีวิตหายไปสักครึ่ง ที่เราดำเนินชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้แล้วส่วนที่หายเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราด้มีสิ่งหนึ่งดำรงอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไม่รู้จักสิ่งนี้กุญแจที่จะไขปิสศนาธรรมที่จะเข้าไปถึงสิ่งนี้ก็คือ จิตประพัสสอนของเราเนี่นะจิตเดิมจิตจิตก่อนการคิดเนี่ยก่อนการคิดจิตมันเป็นไงจิตมันว่างเทรว่าทเราเรียกว่าจิตประพัสสอนมหาญาณก็เรียกจิตเดิมแท้จิตหนึ่งจิตเดิมแท้ก็คือจิตที่มันยังไม่ได้คิดอะไรเลย ไม่ต้องไปแปลว่าประพัฒสอนมันหมายถึงอะไรเข้าใจง่ายๆว่ะคือสภาวะจิตที่มันยังไม่ได้คิดอะไรขณะที่จิตยังไม่ได้คิดอะไรเนี่ยความรู้สึกว่าตัวตนของเราไม่มีอัตตาตัวตนมันเกิดจากความคิดเกิดจากความคิดปรุงแต่งที่จิตของเราไม่มีปัญญาอย่างรู้ความจริง เรียกว่าอาวิชาทุกครั้งที่เราคิดเราพูดเราก็ททำสิ่งต่างๆกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยถ้ามันไม่ได้อยู่บนฐานของจิตประภพสัสสนไม่ได้อยู่บนฐานจิตที่มันว่างเนี่ยมันจะมีตัวตนแต่ถ้ามันคิดพูดทำอะไรต่ออะไรนี่อยู่บนฐาน ของการเห็นจิตที่มันว่างอยู่ด้วยเนี่ยตัวตนมันจะไม่มีเพราะงั้นการขจัดความรู้สึกว่ามีตัวเราเราไม่สามารถขจัดมันได้ด้วยกระบวนการความคิดในระดับตร ก, กะหรือเหตุผลจิตสามัญจำนึกของเราเนี่ยเราดําเนินชีวิตด้วยกระบวนการความคิด ในระดับเหตุผลเรามีเพียงปัญญาระดับความรู้กับปัญญาระดับเหตุผ ล, ลนั่นเองเราทุกคนที่เรียกว่าปุถุชนเนี่ยพราวันการดําเนินชีวิตของเรามันยังมีความรู้สึกว่ามีตัวเราเป็นพื้นฐานตัวเรามันเริ่มจากอะไรมันเริ่มจากการรับรู้ทางทางอายตนะทางหกเนี่ย ตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะที่เราเห็นในขณะที่เราได้ยินเนี่ยสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินหรือเสียงหรืออะไรตัอะไรต่างๆเนี่ยเราจดจำไว้หมดแล้วว่ามันคืออะไรสัญญาที่เราจำไว้เนี่ยเขาเรียกสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาส เราจำวันนี่คนน้นชื่อนั้นชื่อนี้สิ่งนี้ต่างๆที่เราไปตั้งชื่อให้มันเนี่ยหรือความรู้ต่างๆเนี่ยพอเราเห็นพอเราได้ยินมันก็เกิดสิ่งที่ถูกรู้เกิดผู้รู้ขึ้นมาสิ่งที่ถูกรู้ก็คือชื่อต่างๆที่เราไปตั้งให้มันนั่ น, นสิ่งที่ถูกรู้จะมีอย่างเดียวไม่ได้ก็จะมีผู้รู้ด้วย มีความรู้สึกว่าฉันเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้ฉันเห็นต้นไม้ฉันเห็นคนนั้นชื่นนั้นชื่นนี้ไปตามการสาคัญมันหมายของเราสาคัญมันหมายตรเนี้มันมาจากความยึดถือเรายึดถือเขาไว้เพราะฉะนั้นเขาต้องบอกว่าความรู้สึกว่ามีตัวเราเนี่ยมันเกิดจากความยึดถือ มันเกิดตอนไหนไอตัวเราเนี่ยมันเกิดตั้งมันเกิดตั้งแต่ตอนเราเห็นเราได้ยินทางอัจฉระเนี่ยรับรู้พอเรารับรู้กระบวนการความคิดก็เริ่มจากสัญญาความจำชื่อต่างๆที่เราไปตั้งชื่อให้มันการรับรู้อย่างแบ่งแยกที่ทำให้เกิดสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้หรืออัตตาเนี่ยมันก็คือกระบวนการความคิดมันเกิดจากความคิด ถ้าไม่มีความคิดล่ะในขณะที่เราเห็นในขณะที่เราได้ยินถ้าไม่มีความคิดเราก็จะเห็นเฉยๆสักตัวเห็นสักตัวได้ยินเถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยเราเข้าถึงความจริงเนี่ยเหมือนกับที่พระเจ้าตัดกับพายะสองสามประโยคพายะแต่ยังเห็นสักตัวเห็นได้ยินสักตัวได้ยินทราบ ส, สักตัวทราบเนี่ย ก็คือการเห็นการได้ยินการรับรู้ทางประสาทสัมผัสตาหูจมูกเล่นกายด้วยจิตใจที่ว่างทําไงเลยจะเห็นด้วยจิตใจที่ว่างแต่ส่วนมากเราไม่เคยสังเกตไม่เคยสังเกตใจแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในอริย ส, สัจสีมีอะไรทางสายกลางใช่ไหมที่ท่านอัญญากษณ์ทนญาได้ดวงตาเห็นธรรม ศีนสมาธิปัญญาหลักของไตรสิกขาเนี่ยหลักไตรสิกขาเนี่ยหรืออะไระิยมรกมีองค์แปดอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยเป็นผลเป็นผลจากการปฏิบัติไม่ว่าจะทางสายกลางหรือหลักของไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาสีลตัวนี้ไม่ได้หมายถึง 5, 8, 8, 9, 10, 200, สีนห้าสีนแปดสีนสิบสีนสองร้อยสามร้อยสีลตัวนี้หมายถึงสภาวะจิตที่ปกติ และในการพัฒนาก็คือพัฒนาให้ความเป็นปกติตรงนี้มันมีพลังถ้ามันมีพลังเมื่ อ, อไหร่เนี่ยเรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิก็คือสภาวะจิตที่มันมั่นคงอยู่ในความว่างในความเป็นปกติและสิ่ง น, นี้แหละจะเป็นฐานให้เกิดปัญญาชนิดหนึ่งอย่างรู้ความจริง ผู้เจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาตัวเนี้ยปัญญาญานปริชายานยานทัศนะหรือยานต่างๆเทียบวิธาม ก, ก็มาขยายความถึงยานสิบหกขัน้นยานตัวเนี้ยมันเกิดจากจิตที่มันว่างจิตที่ว่างจากความคิดของเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกับสัจจะสูงสุดมันเป็นหนึ่งเดียวกับอันติมาสัจจะ หรืออสังกตธรรมคือสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่ไม่ได้มีอะไรไปปรุงแต่งมันสิ่งนี้มันเป็นอมตะไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดสิ่งนี้มีอยู่แล้วในคนเราทุกคนมันเป็นหนึ่งเดียวกับมันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตประภัสสนของเราเพราะนั้น <Yeah. S 1> ถ้าใครรู้จักหรือได้เห็นจิตประภัสอนของเราแล้ว นั่นหมายความว่าเราได้เห็นสักจกะแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมแนละ้ววิธีที่จะทําให้จิตมันว่างจากความคิดพระพุทธองค์ทรงอุปมาเหมือนกับโคแม่ลกอ่อนเล็มหญ้าและวชํามืองดูลูกน้อยแมลโคมันเล็มหญ้าไปชำเมืองดูลูกไปเหมือนกับคนเราต้องทํางานในชีวิตประจําวันทํางานไปด้วยชํามืองดูจิตใจไปด้วย แต่เราไม่เคยชินที่จะชำเลืองที่จะสังเกตจิตใจแล้วบางคนเกิดมาห้าสิบกสิบชั่งก็ตั้งตายไม่เคยสังเกตใจตัวเองเลยเพราะฉะนั้นวิธีวิธีหรือการปฏิบัติหรือการภาวนาหรือการทำให้มันจเจริญก็คือทำงานทำการอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละเดินยืนนั่งนอนทำอะไรต่อดอยู่นั่นนึกขึ้นได้ นึกขึ้นได้ตอนไหนเราก็หันมาชำรงดูใจแล้วไอ้ตัวที่นึกขึ้นได้เนี่ยคือสติสติแปลว่าระลึกได้นึกขึ้นได้สติมันเป็นเจตสิกในขันห้ามันไม่สามารถมันเป็นธรรมะฝ่ายกุศลธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลเท่านั้นมันถึงจะเกิดร่วมด้วยถ้าเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายอากุศลเจ้าสติจะไม่เกิด เพราะฉะนเราคิดดีสติมันถึงจะเกิดถ้าเราคิดไม่ดีเนี่ยสติไม่มีทางเกิดและสติมันก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะนั้นเราไม่สามารถจะฝึกให้มันมีสติสมบูรณ์ได้ตลอดเวลา แต่ปัญญาปัญญาเนี่ยเราสามารถจะทำให้มันมีได้ตลอดเวลาปัญญาตัวนี้มันเกิดมาจากสัจจะปัญญาพุทธศาสนาเราพูดไว้ถึงสามระดับเดียกันปัญญาระดับความรู้เราเรียนพอจะความได้อายุ7จดขวบเดี๋ยวนี้สามขวบครึ่งก็เข้าโรงเรียนแล้ว เรียนไปจนได้ปริญญาจลิโทเอกเรียนไปตั้งเกือบยี่สิบปีกว่ามรู้เนี่ยนะปัญญาระดับความรู้เนี่ยโอ้โหเราเรียนเกือบยี่สิบปีกว่าจะได้ปริญญาเอกเนี่ยความรู้มากมายแต่ปัญญาระดับความรู้นี่ก็ไม่สามารถจะอย่างรู้ความจริงได้ปัญญาระความคิด กในเชิงเหตุผลที่เป็นทวิภาวะเป็นของคู่คูเนี่ยสูงตำ่ดำดําขาวยาวสั้นเย็นร้อนอ่อนแก็งถูกผิดดีชั่วสูงตำ่ำที่เป็นคู่คูคเนี่ยก็เรียกทวิภาวะเนี่ยปัญญาระดับเหตุผลปัญญาระดับนี้ก็เข้าถึงความความจริงไม่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงไม่ได้ มีปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญายอมรู้จักไหมภาวนามยปัญญาปัญญาตัวนี้ถึงจะอย่างรู้ความจริงได้ปัญญาตัวนี้มาจากความว่างเมื่อได้ก็ตามถ้าจิตของเราว่างจากกระบวนการความคิดในระดับเหตุผลหรือระดับความรู้แล้วแล้วก็ปัญญาตัวนี้มันถึงจะเกิด ปัญญาตัวนี้มันมีอยู่แล้วในคนเราทุกคนแต่กระบวนการความรู้ที่เราสะสมไว้กระบวนการความคิดที่เราเรียนมากเรายิ่งคิดได้ดีในระดับเหตุผลเนี่ยมันบังหมดเลยเพราะปุถุชนเราเนี่ยปัญญาสองระดับเนี่ยมันบังปัญญาที่จะยังรู้ความจริงหมดเลยทีนี้ทําไงใจเราจะว่างจาก กระบวนการความคิดระดับความรู้ระดับเหตุผลเราก็ไปนั่งสะกดจิตตัวเอ ง, บ, งบังคับให้มันไปรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปรู้อยู่กับลูกแก้วไปรู้อยู่กับลมหายใจไปรู้อยู่กับท่องไปรู้อยู่กับอะไรก็แล้วแต่เราคอนเซนเทรตเราจดจ้องไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็มีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้ เมืม่อมีสิ่งนี้ถูกรู้มีผู้รู้ปัญญาที่จะยังรู้ความจริงเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เราไปนั่งสมาธิกันแล้วกำหนดลูกแก้วกำหนดลมหายใจกำหนดอะไรเนะี่ยแม่จิตสงบพอดีพอสงบปับ๊บไม่รับอารมณ์ภายนอกตาหูจมูกที่กายไม่รับดิ่งเข้าพวังไม่รู้อะไรเลยตอนนี้เป็นฌานเป็นสมาบัติเหมือนกับที่พุทธเจ้าปฏิบัติอยู่กับสองอาจารย์ ฮาราดาบุตอุตกาดาบอืรได้สมาบัตเจ็ดสมาบัตแปดสงบมากเกวียนผ่านไปไกลๆนี่ไม่ยินเสียงเกวียนเลยแม้ัณะพระพุทธ อ, องค์ก็มาได้ตัดชรูด้วยวิธีของสองอาจารย์เมื่ที่เราเราปฏิบัติในทัศนะที่เรากำหนดรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย แม้มันจะสงบเนี่ยปัญญาที่จะยังรู้ความจริงเกิดไม่ได้ปัญญาที่จะยังรู้ความ จ, มญญาจาริง ม, มันจะเกิดในขณะที่ใจของเราเนี่ยไม่มีกระบวนการของความคิดเลยในขณะที่ใจเราว่างเนี่ยเจ้าปัญญาที่เรียกว่ายานที่จะยังรู้ความจริงมันถึงจะเกิดเพราะฉะนั้นในหลักการที่พระพุทธองค์ทรง ที่เน่ไว้ในอริยสัจ ส, ส์่เนี่ยทางสายกลางกันดีไตรสิกขาอธิศิลนอธิจิตอธิปัญญาหรืออริมัคมีองแปดสามชื่อนี้เท่านั้นถึงจะยังรู้ความจริงถึงจะประจักษ์แจ้งความจริงได้นอกนั้นไม่มีทางแต่ที่เราปฏิบัติกันทุกวันเนี่ยส่วนมากมันไม่เข้าประเด็น ทางสายกลางส่วนมากมันไม่อยู่ในทัศนะหลักของใจสิกขาอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์แปดยิ่งอริยมรรคมีองค์แปดนี่ยินเหมือน้จักเลยเพราะนั้นที่หลวงพ่อชีนน้แนะก็คือหลักของใจสิกขาเนี่ย อธิศีนอธิจิตอธิปัญญาพุทธองค์ทรงอุปมาเหมือนกับโคไม่ลงอ่อนเล็มหญ้าชำเลืองดูลูกน้อยนี่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะแม่โคมัเล็มหญ้าไปชำเลืองดูลูกไปเล็มหญ้าไปชำเลืองดูลูกไปเหมือนกับเรโคเราต้องทํางานในชีวิตประจําวันทํางานไปด้วยชำเลืองดูใจล้วไปด้วยทํางานไปด้วยชำเลืองดูใจไปด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในทัศนะไรสิกขา อธิชินอธิจิตอธิปัญญาเราสามารถปฏิบัติได้ร่วมกับการทํางานในชีวิตประจําวันทํางานไปด้วยจํานมืองดูใจแล้วไปด้วยทํางานไปด้วยจําเมืองดูใจแล้วไปด้วยเพรื่องการปฏิบัติกับการงานในชีวิตประจําวันมันจึงเป็นสิ่งเดียวกันเห็นไหมเราไม่ต้องไปนั่งหลับตาสะกดจิตตัวเองให้มันสงบทําอย่างนั้นไม่มีปัญญา การนั่งสะกดจิตตัวเองอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพคนลูกแก้วหรือ ก, กำหนดรู้ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมีสิ่งนี้ถูกรูก้มีผู้รู้ตากใดถ้ายังมีสิ่งนี้ถูกรูก้มีผู้รู้เนี่ยปัญญาที่จะยังรู้ความจริงเกิดไม่ได้มันจะต้องไม่มีสิ่งนี้ถูกรู้ไม่มีผู้รู้ปัญญาที่จะยังรู้ความจริงมันถึงจะเกิดได้ โค้ม่ลูก อ, อ่อนเลีย้ยมญาติชำเนืองดูลูกน้อยนี่แหละคือวิธีที่จะทำให้เกิดปัญญาอย่างรู้ความจริงที่เราทำกันทุกวันเนี้ยส่วนมากเราก็นั่งหลับตาด้วยกำหนดลมหายใจกำหนดท้องกำหนดลูกแก้วกำหนดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรากำหนดเนี่ยมันมีสิ่งนี้ถูกรูก้มีผู้รู้ ปัญญาที่จะอย่างรู้ความจริงมันเกิดจากจิตที่ว่างจากความรู้สึกก็มีตัวเราว่างจากจิตมิถูกรูก้ว่างจากผู้รู้เพราะนั้นที่เราปฏิบัติแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็คือเราไปกําหนดจริงใด้สิ่งหนึ่งมันก็มีสิ่งที่ถูกรูก้มีผู้รู้สงบแต่ไม่มีปัญญาอย่างรู้ความจริงเป็นฌานเป็นสมบัติ ที่พระเจ้าอยู่กับสองอาจารย์อลาลาดาบทพุถุกกาดาบทได้ฌานได้สมบัดเจ็ดสมาบัดแปดสงบแต่ไม่มีปัญญาที่จะอย่างรู้ความจริงพระองค์จึงจากสองอาจารย์ไปแสวงหาในตัวเองท่านปฏิบัติอยู่หกปีนะถึงรู้ว่ามันไม่ใช่ก็จากสองอาจารย์ไปแสวงหาในตัวเองเองันนี้ เราปฏิบัติมาบางทีสิบปีเราเรายังไม่รู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่ทางอเพราะงั้นการปฏิบัติที่กําหนดรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เกิดสิ่งที่ถูกรูก้ผู้รู้แม้กระทั่งกําหนดลมหายใจลมหายใจก็เป็นสิ่งที่ถูกรูก้มันก็มีผู้รู้ มีลูกมีนามเพระวิธีที่พระุธองค์ตรัสไว้ในหลักของไตรสิกขาอาทิศีลอาทิตจิตอาทิปัญญาเนี่ยที่พระองค์ทรงอุปมาเหมือนกับโคเมล อ, อ่ดเล็มยงยาจำเนืองลูกๆน้อยเนี่ยไม่โคเมลญ่าไปจำเนืองลูกๆไปเราทํางานทําการไปจำเนืองดูใจเราไปด้วยทุกครั้งที่เราจำเนืองดูเนี่ยความคิดมันจะหายไปเลยไม่ต้องไปทําอะไรละยมไม่เห็นแล้วความคิดนี่มันหายไปเลย ไห น, นเรามาลองดูสิอยอมลองสังเกตใจตัวเองดูขนาดนี้ยดูสิมีความคิดไหมไม่มีอ่ยะยมไม่เห็นแมันหายไปแล้วจใจเปนไงใจมันว่างขนา ด, จดาใจที่มันว่างเนี่ยตามเป็นไงตาเห็นเฉ ย, ห, ยหูก็ได้ยินสักตะวั น, น, น, น, น, น, น, นเห็นสักตะวันได้ยินเนี่ยเนยพายะเธอจงเห็นกับสักตะวันเห็นได้ยนินก็สักตะวันได้ยิน พายะไปขอร้องพระพุทธองค์ให้แสดงธรรมให้หน่อยเดินทางมาทั้งคืนนั้นเนี่ยพระเจ้ากำลังจะออกบินทบาตเดียวให้เราให้เรากลับจากบินทบาทก่อนพายะมายอมพระเจ้าก็ตัดเพียงสองสมประโยคพายะเธอยงเห็นกับักดิ์โตวเห็นได้ยินกับศักดิ์โตนี่สักดิ์โตเห็นสักดิตวได้ยินก็คือในขณะที่เห็นเนี่ยใจไม่มีความคิดเลยขณะที่ได้ยินเนี่ยใจไม่มีความคิดเลยขณะที่ใจเราไม่มีความคิดเลยเนี่ย ชิ่งที่ถูกเห็นผู้เห็นมันก็ไม่มีมันจะไปเพียนสักดะว่าเห็นสักดะว่าได้ยินที่พระเจ้าพูดเนี่ยพลายาตือจงเห็นสักดะว่เห็นได้ยินสักตะว่ได้ยิ น, นคือในขณะที่เห็นเนี่ยไม่มีกระบวนการความคิดเลยขณะที่ได้ยินเนี่ยไม่มีไม่ไม่มีกระบวนการความคิดเลยทํายังไงความคิดมันจะหายไปวิธีที่จะทําให้ความคิดหายไปเนี่ยเพียงสังเกตมันเท่านั้นนะโยมโยมไม่เห็นมันความคิด มันหายไปแล้วปีนเราตั้งเกตรมาที่ใจเราเนี่ยโยมเราสังเกตเความคิดไม่มีแล้วแล้วเราจะรู้่อ๋อไอ้ศักดตาวะเห็นศักะะดิ์ตาวได้ยินที่พรุทธเจ้าพูดนี่มันหมายถึงอย่างนี้เองไปพขดขณะที่ศักดิ์ตาวะเห็นศักะะดิ์ตาวได้ยินขณะที่เห็นโดยไม่มีความคิดเนี่ยชื่อต่างๆมันก็ไม่มีชื่อมันมาจากความจําความคิดของเราเริ่มจากความจํญญาลันยาจําได้ ไมโครโฟนจำได้คนนนุณโน้นคุณนี้ความคิดเริ่มจากสัญญาสร้างสิ่งนี้ถูกรู้สิ่งนี้ถูกรู้จะเกิดอย่างเดียวมาแล้วก็เกิดผู้รู้ด้มีความรู้สึกฉันเห็นไมโครโฟนฉันเห็นคนนนุณโน้นคุณนี้นี่คือรูปนามเกิดจากอะไรจากกระบวนการความคิดแล้วมันไม่ได้เห็นแล้วมันไม่ได้อยู่แค่นั้นขันห้าทำงาน รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจำได้สังขารปรุงแต่งเกิดการเปรียบเทียบให้ขาตัดสินลงความเห็นเป็นทวิภาวะสูงต่ำดำขาวยาวสั้นถูกผิดดีชั่วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราดำเนินชีวิตด้วยกระบวนการความคิดอย่างนี้เรามีเพียงปัญญาระดับความรู้กับปัญญาระดับเหตุผลหรือทวิภาวะแค่นั้นเองซึ่งไม่ใช่ความจริงเราไม่เคยเห็นความจริงเลย ผู้ดชนเราเนี่ยเราไม่รู้จักความจริงไม่เคยเห็นความจริงเลยเราเห็นคนนี้สูงเราเห็นคนนี้ต่ำคนนี้อ้วนคนนี้ผอมเนี่ยแล้วเราคิดว่าเนี่ยคือความจริงเราคิดว่าสิ่งที่เรารับรู้ทางภาษาสัมผัสแล้วใช้กระบวนการความคิดลงความเห็นที่เป็นทวิภาวะเป็นของคู่ ค, คู่เนี่ยคือความจริงเนี่ยผูุ้ชนเรามีเพียงปัญญาระดับความรูก้กับปัญญาระดับเหตุผลแค่เนี่ย ที่เรียกว่าปุูกทชนเนี่ยเรามีพปัญญาสองระดับเนี่ยเราไม่เคยเห็นความจริงเลยเราไม่เคยรู้จักความจริงเลยแต่ถ้าเมาื่อใดที่จิตใจของเราว่างจากกระบวนการความคิดในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินมันไม่มีความคิดเลยเนี่ยนั่นแหละเราจะเข้าถึงความจริงโอ้ ทุกสิ่งที่เราเห็นทุกสิ่งที่เราได้ยินทุกสิ่งที่เรารับรู้ทางตาหูจมูกเลี้ยงกายนี่มันเป็นเช่นนั้นเองถ้าเราเห็นด้วยจิตใจที่มันว่างเนี่ยไอ้ทวีาวะ่าไอ้ของคู่คู่สูงต่ดำดําขาวยาวสั้นถูกพิดมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นที่เราลงความเห็นว่าคนนี้สูงคนนี้ต่ำคนนี้ดําคนนี้ขาวคนนี้อ้วนคนนี้พร้อมที่เป็นคู่คู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ความจริง เป็นเพียงปัญญาระดับตักกะหรือเหตุผลแต่ปู้ทชนเนี่ยเรานึกว่าเนี่ยคือความจริงเห็นไหมเราคิดว่าสิ่งที่เรารับรู้โดยประสาทสัมผัสตาหูจมูกยิ่งกายเนี่ยคือความจริงเนี่ยจริงๆยังไม่ใช่ความจริงแต่ถ้าเมาื่อใดจิตใจของเราว่างจากกระบวนการความคิด แล้วเราจะเห็นเฉยๆสักตัวเห็นสักตัวได้ยินสักตัวรับรู้ทางภาษาจังบวัดพายะพยะไปขอรองบุญญาให้พระองค์แสดงธรรมให้ฟังพระอาจารย์ก็บอกพายะเด็กจงเห็นก็สักตัวเห็นได้ยินก็สักตัวสักตว่าเนี่ยไม่ใช่มึงสักตวธรรมเราเอาสักตว่ามาใช้กันไม่ถูกไม่ตรงตามความหมายที่บุญจะมันเป็นสิ่งที่สูงเรามาใช้แบบอืมมึงสักตวธรรม ทำช่ยชุยเห็นักตวธรรมใช่แต่ศัพทวาเห็นศักทวธรรมเนี่ยโอ้โหในทางในทางธรรมนะหมายถึงเป็นการกระทําที่ไม่มีผู้กระทํานะไม่มีอัตตาไม่มีตัวตวนเป็นแต่เพียงกิริยาเป็นแต่เพียงกิริยาศักตวาเห็นเห็นชื่อชื่ศักตวได้ยินได้ยินชื่อชืศักทวทร า, า, าบทราบชื่อชื ไม่มีผู้ทราบไม่มีผู้เห็นไม่มีผู้ได้ยินไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นห JSON, ไม่มีรูปไม่มีนามเนี่ยรูปก็คือคสิ่งที่ถูกเห <avía> ็นนามก็คือผู้เห็นไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นไม่มีผู้มีแต่เพียงการเห็นการเห็นกิชนาบุตรทีบจัสตอเลยจัสตอเลยซีจัสตอลยยี สักตะว่เห็นศักตะว่าได้ยินศักตะว่เนี่ยไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นไม่มีผู้เห็นอะไรคือสิ่งที่ถูกเห็นสิ่งที่ถูก figured, คือชื่อมันเราไปตั้งชื่อให้หมดเนี่ยคนนั่งคนนี้ชื่อต่างๆเนี่ยมันมีชื่อหมดเลยสมมุติอันนี้ไม่ใช่ความจริงสมมุติบัญญัติพอเราเห็นมันก็มีความรู้ฉันเห็นไมโครโฟนฉันเห็นแก้วฉันเห็นเห็นไหมนี่คือรูปนามในปฏิกิรสมบู ป, ปบาทอาวิชาทํ า, า, ท า, า, าทให้เกิดสังขารสังขกันี่คือวิญญาณวิญญาณทําให้เกิดนามรูป นี่คือนามรูปสิ่งนี้ถูกเห็นผู้เห็นในเหตุให้เกิดทุกข์ในปฏิจจสมุปบาททุกครั้งที่เราเห็นเนี่ยกระบวนการความคิดก็เริ่มจากสัญญาจำไดน้นี่ไมโครโฟนนี่แก้วนี่อะไรคนนั้นชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อต่างๆที่เราไปตั้งชื่อให้มันก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกเห็นสิ่งที่ถูกเห็นจะมีอย่างเดียวไม่นานก็มีความดื้อฉันกูฉันนินคนนั้นชื่อนี้ เนี่ยทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยเราดําเนินชีวิตด้วยกระบวนการความคิดที่เราไม่ได้เห็นสัจจะหรือความว่างของใจเราเลยมันยังเกิดความรู้สึกว่ามีตัวเราเห็นไหมเราดําเนินชีวิตชีวิตทุกปุตชชนเนี่ยทุกครั้งที่เราเห็นทุกครั้งไี่ยิยนตาหูจมูกการใช้รับรู้เนี่ย มันมีสิ่งนี้ถูกรู้มันมีผู้รู้อัตตาเริ่มตรงนี้โยมที่ว่าอัตตามันเกิดจากความยึดถือใช่ยึดถือในเลยสำคัญมันหมายสำคัญมันหมายว่านี่คือไมโครโฟนสำคัญมันหมายคนนั้นชื่อนั้นจนี้เนี่ยเราสาคัญมันหมายไว้หมดเลยเราจําไว้หมดเลยสัญญาตัวนี้เ็าเรียกสัญญาวิปลา ทำยังไงเราจะคิดพูดทำประกอบอาชีพการทำงานในวนิเวีนด้วยการเห็นจิตใจที่มันว่างถ้าเราสามารถเห็นตรงนี้ได้เนี่ยถ้าเราสามารถเห็นจิตใจเราที่มันว่างเนี่ยความรู้สึกขอตัวเรามันจะไม่มีไอตัวเราสิ่งนี้ถูกรู้ผู้รู้เนี่ยมันเกิดจากความคิดถ้าไม่มีความคิด อัตตก็ไม่มีเนี่ยเพราะฉะพระอาหารหันในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยพุทณะของการดำเนินชีวิตอยู่จะต้องไม่มีความรู้สึกก็มีอัตตาหรือตัวตนเลยจะต้องเห็นสภาวะจิตที่มันว่างตลอดเวลาเลยนี่คือความเป็นพระอาหารหันในพุทธศาสนา ถ้าไม่มีตัวตน 75% นี่คือพระอนาคา ม, มีถ้าไม่มีตัวตน 50% นี่คือพระสกิทาคา ม, มีถ้าไม่มีตัวตน 25% นี่พระโสดาบันถ้าไม่มีตัวตนชั่วขณะนี้เมืออย่างเราเริ่มปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องเห็นสิ่งนี้ก่อน เริ่มจากหนึ่งกว่าจะเต็มร้อยกว่าจะได้ยี่สิบห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าร้อยเนี่ยร้นตราบใดที่เขาใครยังไม่เห็นหนึ่งยี่บห้าไม่ไมีไม่ต้องไปพูดถึงห้าสิบไม่ต้องไปพูดถึงเจ็ดสิบห้าไม่ต้องพูดถึงร0อยไม่ต้องพูดถึงเลยหนึ่งยังไม่รู้เลยหนึ่งก็คือสภาวะที่เราหันขึ้มาสังเกตหรือชำรงใจเราแล้วลความคิด มันหายไปตัวตนหายไปเนี่ยนี่คือหนึ่งแลยทำหนึ่งตรงนี้ให้เป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกจนครั้งยี่0 75, ห้าสิบเจ็ดสิบห้าร้อยหนึ่งหลวงพ่อก็จะเห็นตรงนี้นะเมื่ออายุห้าสิบห้าก็จะเห็นสิ่งนี้สแสวงหามาสิบห้าปีเมื่ออายุประมาณสี่สิบ หาอยู่1ี่ห้าปีไปหาอาจารย์น้นอาจารย์นี้อาจารย์ดังๆไม่รู้วิธีไม่รู้วิธีที่จะเข้าถึงสภาวะจิตที่มันว่างู้วง่อไม่ได้เรียนธรรมไม่ได้เรียนอะไรเนี่ยหลวพ่อก็ไม่รู้พระไตรปิฎกเป็นเด็กไม่เคยอ่านไม่เคยรู้ น, นักทงนักธรรมไม่รู้เรื่องเลยแสวงหาอยู่ สิบห้าปีพออายุห้าสิบห้าหลวงพ่อพก็บวชบวชได้สิบวันวันที่สิบเอดหลวงพ่อดำเดินที่ทาไมวันนี้ไม่มีความคิดเลยใจมันว่าโอ้แล้วมันรู้พร้อมขนาดที่ใจเราไม่มีความคิดขณะที่ใจมันว่างเนี่ยมันจะมีธรรมชาติรู้เชนิดหนึ่งเจ้าธรรมชาติรู้ตัวเนี่ย แต่ผู้เจตัตนาเขเรียกปัญญาญานปรีชายานยานทัศนะสัมมาทิฏฐิปัญญาตัวนี้ไม่ได้มาจากความรู้ไม่ได้มาจากความคิดแต่มาจากสัจจะมาจากความว่างมาจากสุญญาตามาจากอสังกตธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาจากอสังกตตธรรมเมื่อมันมาจากธรรม มันก็สามารถจะมีอยู่มันแตมันสามารถจะดำรงอยู่ได้ตลอดเวลาแค่ไหมเจ้าสติเนี่ยมันเป็นเกจิศิ ษ, ศษมันเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าที่เกิดจากการปรุงแตง่งเราไม่สามารถจะพัฒนาให้มันมีสติสมบูรณ์ตลอดเวลาได้หรอก สติมันเกิดในขณะที่จิตเราเป็นกุศลถ้าจิตเป็นอกุศลสติก็มันเกิดแล้วนั้นส่วนมากที่สำนักต่างๆปฏิบัติเพื่อให้สติมันสมบูรณ์เป็นไปไม่ได้สติจะสมบูรณ์รอยเปอร์ซ็นเป็นไปไม่ได้แต่ปัญญาเนี่ยยอม ปัญญายานหรือยานทัศนะเนี่ยมันสามารถจะมีอยู่ได้ตลอดเวลาเมื่อเราดำรงอยู่กับสัจจะเพราะปัญญาที่ทอย่างรู้ความจริงเนี่ยมันมาจากสัจจะมันมาจากสังกัตธรรมธรรมที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันเลยแล้วทุกคนมีสิ่งนี้อยู่แล้วคือจิตประภัสสรนั่นเองแล้วไม่เคยสังเกตจิตใจหรอถ้าเราสังเกตเนี่ย เราจะเห็นว่าใจมันว่างขณะที่ใจมันว่างนั่นยังก็เรียกจิตประภสัสสรจิตประภัสสรไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนถ้าไม่ไงเราจะฝึกให้เราตาระหนักรู้ไอ้ปัญญาตัวนี้ยก็เรียกการตระหนักรู้ยังรู้ตรหนักรู้สิ่งนี้อยู่ตลอดเวลา เราจะทำให้มันมีตลอดเวลาได้ร้อยเอร์เซนเนี่ยมันจะต้องมาจากหนึ่งใช่ไหมถ้าโยมยังหาหนึ่งไม่เจอเนี่ยสองสามสี่ห้าสิบยี่สิบไม่มีทางแล้ววันนี้ลวงพ่อจะมาบอกว่าทำยังไงเราจะมีหนึ่งแล้วยกไปพัฒนาให้มันเป็นสองสามสี่ยี่้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าวิธีที่พูะเจ้าพูดไว้ ในหลักของไตรสิกขาทิศนอะนิทิจิตนะิทิปัญญาเนะี่ยรูไม่ระอ่อนเลี้ยญ้ากชำเนืองดูลกน้อย mm hmm. เขาใช้คําว่าชำเลือง mm hmm. อยโยมจับชำเลืองมะชำเลืองด้วยหางตาชำเลืองจ้องจ้องกับชำเลืองนี่ต่างกันตรงนี้จ้องตั้งใจจะดู mm hmm. ชำเลืองนี่แค่ชำเลืองทําอะไรไปด้วยชำเลืองดูใจแล้ไปด้วย ถ้าโยมยังไม่เคยฝึกเลยเนี่ยกว่าโยมจะรู้จักชำเลืองด้วยสภาวะมันนี่ก็ไม่ใช่ของง่ายๆนะส่วนมากเราจะจ้องในมิติของจิตใจมันจำเนื่องมันมีเจตนาจะดูจะทนการจ้องตรงนั้นนะตั้งใจนนะตั้งใจจะดูตั้งใจจะฟังตั้งใจไม่ใช่ชำเลืองเหมือนก่อนเราจะเริ่มรู้จักสภาวะที่เรียกว่าชำเลืองเนี่ย คนที่เริ่มใหม่ๆนี่ไม่ใช่โยมจะต้องมีประสบการณ์รู้จักคําว่าชำเลืองในพระไตรปิฎกขเขาใช้คําว่าชำเลืองโคไม่ละอ่อนเล็้ยมหญ้ามันเล็้ยมหญ้าไปชําลืองดูลูกไปมันมีลูกเล็กๆกี่ตัวเดินตามวิ่งเล่นเดี๋ยวก็มาคื้นนมเดี๋ยวก็วิ่งเล่นแม่โคมันก็เล็มหญ้าแล้วก็ชำเลืองดูลูกมันด้วย <S <S เราทํางานทําการนี้วิประจําวันเดินยืนนั่งนอนทําอะไรต่ออะไรอยู่ ชำเรืองดูใจเราไปด้วยโยมจะชำเรืองได้ต่อเมื่อโยมนึกขึ้นได้ใช่จ้านึกขึ้นได้ก็คือสติเพราะฉะนั้นสติที่แปลว่าระลึกได้เนี่ยมันมีอยู่แล้วในในคนเราทุกคนปุถุชนเราก็มีแต่สติตัวนี้มันทำงานร่วมกับความรู้สึกของมีตัวเรามึงไม่มีสติเลย เราว่ากันมึงไม่มีสติเลยทําอะไรไม่มีสติเลยแสดงว่าจะสติเนี่ยมันมีอยู่แล้วในปุถุชนมีแต่มันทํางานร่วมกับความรู้จั ก, จกมีตัวเราทํางานร่วมกับความรู้ทํางานร่วมกับเหตุผลแต่เราต้องการพัฒนาให้สติตัวเนี้ยทํางานร่วมกับปัญญาที่จะอย่างรู้ความจริง วิธีการก็คือหันมาชำระลงดูจิตใจแล้วความคิดมันหายไปตัวตนหายไปธรรมชาติรู้ชนิดหนึ่งที่เกิดจากใจที่มันว่างใจที่มันว่างหจิตตภัสสน์เนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกับสัจจะสูงสุดเป็นหนึ่งเดียวกับอันติมาสัจจะเป็นหนึ่งเดียวกับสัจธรรมวิธีการคือชำระลงชำระลงดูใจแล้วนึกขึ้นได้ตอนไหนชำรงทุกครั้งที่เราชำระงดูเนี่ย โยอยอมจะไม่เห็นลวความคิดมันหายไปแล้วความคิดมันจะหายไปโดยโดยธรรมชาติเนี่ยคือวิธีเนี่ยวิธีการส่วนมากเราไปนั่งกำหนดลมหายใจกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดการกำหนดอย่างนั้นนะ่ะทำให้เกิดสิ่งนี้ถูกรู้ทำให้เกิดผู้รู้ตราบใดที่ยังมีสิ่งนี้ถูกรู้มีผู้รู้เนี่ยปัญญาที่จะยังรู้ความจริงมันเกิดไม่ได้ ยมทั้งเห็น yeah. มันเก right. yeah. ิดมันด bueno. ับมันเที่ยงมันไม่เที่ยงมีตัวตนไม่มีตัวตนนี่คือปัญญาระดับเหตุผลซึ่งไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ปัญญาที่จะยังรู้ความจริงปัญญาที่จะยังรู้ความจริงหรือญาณทัศนะต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากความรู้ไม่ได้เกิดมาจากความคิดมันเกิดในขณะที่ใจเราว่างจากความรู้สึกขมีตัวเรา ตัวเราเกิดขึ้นได้จากความคิดถ้าไม่มีความคิดตัวเราก็ไม่มีในปัญญาที่จะยังรู้ความจริงเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราชำเมืองดูใจเราเนี่ยนี่ธรรมชาติเขาให้เรามาทุกครั้งที่เราชำเมืองดูใจแล้วเนี่ยความคิดมันหายไปเลยโยมไม่เห็นมลรความคิดโยมจะเห็นอะไรก็เห็นใจที่มันว่องว่าตามันจะเห็นสักโต้เห็นหูมันจะได้ยินสักโต้ได้ยิน มันจะไปพ้นชื่อพ้นบัญญตมมัติหมดเลยพ้นสมมติหมดเลยสภาวะที่ไปพ้นมิติที่มีตัวเราเนี่ยเขาเรียกจิตเหนือสํานึกหรโลกุตตะละจิตจิตที่อยู่เหนือโลกเนีโลกุตตะละจิตไม่มีความรู้สึกมีตัวเราไม่มีอัตตาไปพ้นชื่อพ้นบัญญตัติพ้นสมมุติ พเพราะจุดเริ่มต้นเราจะต้องค้นหาสิ่งนี้นี่คือหนทางที่เรียกว่าทางสายกลางก็คือสภาวะนี้เนะี่ยทางสายกลางคือสภาวะจิตที่ว่างจากกระบวนการความคิดสภาวะจิตที่เข้าถึงสัจจาะหรืออสังกัจธรรมหรือสิ่งที่มันไม่มีอะไรไปพรงแต่งมันเนี่ยทางสายกลางที่ทนัญญากรทัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรมสมณะทางสุดโตงทั้งสองไม่ควรเดินให้เดินทางสายกลางอะไรคือทางสุดโตรงสองทางสุดโต่งองก็คือปัญญาระดับเหตุผลผูกผิดดีชั่วสูงต่ำดำขาวยาวสั้นเยินล้อนอ่อนแข็งใกล้ไคลใหญ่เล็กเนีย่ยเขาเรียกทวิภาวะเทระวัดเราไม่ค่อยนินแต่มหายานเนี่ยก็จะนินต้องไปพน้นทวิภาวะให้ได้ จับใดที่เรียงไปไม่พ้นรูปนามหรือสิ่งที่ถูกรูก้ผู้รู้เนี่ยเราจะไปพ้นทวิภาวะไม่ได้เลยทวิภาระก็คือของคู่เนี่ยสูงต่ําดําขาวยาวสั้นเยน็นร้อนแภาวะจิตที่ว่างนี่แหละคือสภาวะที่มันไปพ้นเพราะฉะนั้นทางใจกลางหรือหลักใจสิ่ขาหรือเ ย, ยมักมีของแปลกก็ดีมันเป็นสภาวะจิตที่เข้าถึงจิตเหนือสํานึกแล้ว เป็นสภาวะจิตของเราที่ไปพ้นจิตสามัญกำนักที่มีตัวตนแล้วเพราะฉะนั้นหนทางของการบําเพ็ญภาวนาก็คือสภาวะจิตที่ไปพ้นจิตสามัญกำนึกที่ไปพ้นความรู้สึกที่มีตัวตนแล้วนั่นแหละที่เรียกว่าหนทางหนทางเนี่ยไม่ว่าจะทางสยกลางไตรสิกขาลีมักรรมนิมงแปดเนี่ย ผลทางที่จะทําให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นจิตระดับจิตเหนือสํานึกหรือลูกุตลาจิตมันตราบใดที่เรายังปฏิบัติอยู่ในทัศนะของจิตสามัญสานึกที่ไปพิจารณารูปน้ําเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันเที่ยงนี้มันไม่เที่ยงมีตัวตนไม่มีตัว น, น, นี่มันยังเป็นเพียงจิตสามัญสานึกด้วยปัญญาระดับเหตุผลไม่ใช่ความจริง เนี่ยที่ผู้ทชนเราใช้ปัญญาอยู่ทุวนเนี่ยเราใช้เพียงปัญญาะระดับความรู้กับปัญญาะระดับเหตุผลเราจรึงไม่รู้จักความจริงเราไม่รู้จักความจริงเลยตาไม่สามารถจะเห็นความจริงได้หูจมูกลิ้นกายไม่สามารถจะสัมผัสกับความจริงได้เพราะนตรรกใดที่เรายังไม่สามารถพัฒนา ให้จิตั้งเราไปพ้นจิตสามัญสำนึกเราจะเราจะเข้าถึงความจริงไม่ได้เราจะไม่รู้จักความจริงเลยเราจะไม่รู้จักสักตาเห็นสักตาอด้ยินเลยเพรา ะ, ะนั้นคำสอนของพระเจ้าแปดหมืนสี่พันพระธรรมกัณเนี่ยต้องการให้เปิดเกิดปัญญาอย่างรู้ความจริงเมื่อเราอย่างรู้ความจริง ความสําคัญมันหมายหรือความยึดถือที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือเกิดปัญหาเนี่ยมันตึงจะละวางแล้วต้องอย่างรู้ความจริงก่อนแล้วมันนึงจะละวางความยึดถือในระดับคิดสามันจำนึกเรายึดถืออะไรบ้างยึดถืออารมณ์ที่มากระทบโลกเสียงกลิ่นแล้วนี่ยึดถือยึดถือความเห็นของเราอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้สูงอันนี้ต่ำ เนี่ย <N ee> คนที่ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยส่วนมากก็มาจากความเห็นเนี่ยอยู่ครอบครัวเดียวกันผัวเมียก็ความเห็นไม่เหมือนกันก็ทะเลาะกันทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่ความจริงทั้งคู่ที่ทะเลาะกันแต่ละคนเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาระดับความเห็นเนี่ยที่เราเห็นว่าไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดไอ้นี่ดีไอ้นี่ชั่วเนี่ยไม่ใช่ความจริงมาจากความรู้ของแต่ละคนที่เราสะสมไว้ มันเราดําเนินชีวิตในความหมายของผู้ทชนเนี่ยเราไม่รู้จักความจริงเลยตราบใดที่เราไม่สามารถจะยังรู้ความจริงได้เนี่ยความยึดถือต่างๆเราไม่สามารถจะละวางได้เลยความยึดถือต่างๆหรือความสาคัญมันหมายที่เราไปตั้งชื่อให้มันเนี่ยเราไม่สามารถจะละวางได้เลยถ้าเรายังเข้าไม่ถึงความจริง เพราะ้นเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือพัฒนาให้เกิดปัญญาชนิดหนึ่งยังรู้ความจริงเมื่อยังรู้ความจริงมันก็ละวางความยึดถือซึ่งพระพุทจาสรุปว่าไอ้ความยึดถือนี่แหละคือเหตุให้เกิดปัญหาของมนุษย์เมือม่อมละความยึดถือเราก็อยู่ในโลกอย่างมีความสุขเราทุกคนแสวงหาอะไร ทุกคุณเนี่ยแสวงหาอะไรแสวงหาความสุขใช่ไหมโยมแต่ความสุขที่เราแสวงหาเนี่ยมันเป็นความสุขที่มาจากประสาทสัมผัสแค่นั้นเองตาเห็นรูปสวยๆเราชอบใจมีความสุขหูได้ยินเสียงเพราะๆตาหูจมูกร่ากายอาหารยังงี้รสอร่อยจากประสาทสัมผัส ผู้ชนเราแสวงหาความสุขจากประสาทสัมผัสแท่นั่นเองแต่ความสุขที่แท้จริงที่พระเจ้าตรัสไว้นัตถสันติพลังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจที่สงบไม่มีเพราะเมืม่อใดก็ตามที่ใจของเราว่างหรือสงบเมื่อ น, นั้นแหละมันจะเกิดความวิติอิมสุข สุขตัวนี้มาจากภายในที่เรียกว่านี่เราไม่สุสสขสุขที่ไม่ได้อิงอาศัยวัตถุเลยแต่ปุถุชนเราเนี่ยสุขจากการได้อจากการเป็นจากการมีวัตถุลาบยศจร้นเสริญเนี่ยเราเราแสวงหากันอยู่เนี่ยนี่คือสุขนี่สุขอันเนี้ยผู้ชาบอกคุณไม่กี่หลังยังยืน มันหายไปแล้วก็แสวงหาแสวงหาจนตลอดชีวิตมันไม่ถาวรแต่สุขที่มาจากใจที่มันว่างใจที่ปราศจากตัวตนมันเป็นความลิ่นลมมันอิ่มมันเบิกบานสึน่ตัวนี้สุข น, ขนี้คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราค้นหา ถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีเนี่ยเราไม่มีทางที่จะค้นหาเจอเลยเพราะนั้นวิธีที่พุทธเจ้าพูดไว้โยมจําจให้แม่นนะโคไม่หลุดอ่อนเลี้ยญ้าชำเนืองดูลูกน้อยทุกครั้งที่เราชาเนืองดูจิตใจเราเนี่ยความคิดหายไปใจมันจะปกติปกติตัว น, นี้แหละคือศีลศีลจากการสังเกตจากการดู แากการชำเนืองดูมันเรียกว่าศีลตัวนี้เกิดจากการเรียนรู้มันที่เรียกว่าศิกขาศึกขานี่คือตัวนี้ ค, นคือการเรียนรู้ภาษาไทยเรามาใช้ว่าศึกษาศึกษานักศึกษาพอเราเรียนรู้ใจิตใจเราความคิดหายไปศีลตัวนี้เกิดศีลตัวนี้จะกจาจัดกิเลสอย่างหยาบที่แสดงออกมาทางกายวาจา ถ้าสิ่งนี้เกิด น, นะการแสดงมาทางกายวาจานี่ไม่มีทางที่ออกมาได้ลพัฒนาจนกระทั่งตตัวศีลเนี่ยมันมีพลังไอตัวจิตที่ปกติจิตที่มันว่างนี่มีพลังเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิวันสัมมาสมาธินี่มาได้ฝึกได้เดือนทงเดือนปีสองปีห้าปีสิบปียี่สิบปีฝึกกันตลอดชีวิตแลย สมาสมาธิคืออะไรคือขณะที่เรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นขายเนี่ยแต่ใจไปนสงบนิ่งเฉยยิงมีพลังจิตยิ่งไม่ปูงแต่งเลยจิอกว่างเราก็เห็นเฉยๆสักตัวเห็นสักตัวยินธรรมชาติรู้ที่มาจากความว่างก็จะหยั่งรู้สิ่งต่างๆมันเป็นเช่นนั้นเอง mm hmm. ทุกสิ่งมันเป็นเช่นนั้นเองถ้าเราเห็นเราได้ยินด้วยจิตที่มันว่างเนี่ย ความจริงของมันก็คือเช่นนั้นเองตาตา ต, า, ตาไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดำไม่มีขาวไม่มีถูกไม่มีผิดนี่คือความจริงเราเข้าถึงความจริงเนี่ยพายะจะยังเห็นสักตรรมเห็นได้ยินสัจธรรมยินพายะบรรลุธรรมเห็นไหมพายะเห็ น, าานรราาเฉยๆทีเฉยง่ายนี่โยมไม่ยากนะแต่เราไม่รู้วิธีเท่านั้นเองโยมที่เราแสวงหาทุกวันเนี้ยปัญหาของเราคือเราไม่รู้วิธี หลวงพ่อก็จะหาตรงนี้เจอนะมันฟลุกอะหลวงพ่อแสวงหาจากอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ตั้งสิบห้าปีโยมหลวงพ่อไม่โอ้หล ว, วจริงจังหลวงพ่อพววตั้งใจนะหกสิบเนี่ยหลวงพ่อจะบวชแน่นะนแต่นี้พอดีลูก่าวก็ําเร็จกันแล้วเลี้ยงตัวได้แล้วโตวแล้วหลวงพ่อก็ชีวิตมัน เหลือน้อยแล้วนี่ก็เลยออกมาบวดเมื่ออายุห้าสิบห้าแล้วหลวงมาบวชได้สิบวันเนี่ยนะวันที่สิบเอ็ดว่าเดินๆเฮ้ยทําไมวันนี้ไม่มีควา ม, มคิดหรือวะเนี่ยยิ่งสังเกตมันใจมันก็ว่างแล้วมันในขนาดที่ใจเราว่างเนี่ยไอตัวรู้พร้อมที่เรียกว่าสัมปััญญาเนี่ยมันรู้ทําอะไรต่ออะไรรู้หมดเลยเนีย่ยโยงมราสังเกตใจเถอะยงทุกคนลองสังเกต ใ, ใจตัวเองกันนะเนี่ย เห็นไมโยมจะไม่เห็นเลยความคิดความคิดมันหายไปแล้วพอเราชำเลืองดูมันเองความคิดมันมีแล้วแล้วยอมลองเคลื่อนไหวทําอะไรก็ไรโอ้มันจะรู้พร้อมนิ่นวลรู้เนี่ยตรงนี้เขาเรียกสัมปทาญยาตัวนี้คือปัญญาไม่ได้มาจากความคิดไม่ได้มาจากความรู้มาจากความว่าเพราะนั่นศีล สมาธิปัญญาในหลักของใจอีกาเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่เขาแยกพูดเออสี่คือปกตินี่ปกติยิ่งมั่นคงในความไม่ปกตินี่เกว่าสมาธิสมาธิตรงนี้แหละมันจะมีธรรมชาติรู้พร้อมทําอะไรต่ออะไรรู้รู้ตรงนี้เขาเรียกอย่างรู้เนี่ยรู้ความจริงโอ้ความจริงที่เราเห็นดังตาเนี่ยมันเป็นเช่นนี้เอง ทางหูเป็นเช่นนั้นเองไ ม, ม่สูงไม่มีต่ำไม่มีดำ ไ, ไ, ไม่มีขาวเลยนี่คือความจริงถ้าโยมสังเกตใจและใจมันว่างโยมเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆมันจะไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นไม่มีผู้เห็นเนี่ยโยมเข้าถึงความจริงนั้นเนี่ยนี่โยมได้ดวงตาเห็นธรรมเลยเหมือนภายะแล้วเห็นไหมง่ายไหมเนี่ยอ้กว่าเราจะกว่าหลวงพ่อจะเห็นตรงนี้ได้ตั้งสิบห้าปี ใครบอกของพ่อเห็นไมหลวงพ่อไม่มีใครบอกของพ่อเดินเดินใจมันว่างเองนั่งสมาธิเดินจงกรมทําอะไรตัวอะไรมาร้อยแปดอาจารย์โน้อาจารย์นี้ไม่เคยเห็นใจตัวเองไม่มีอาจารย์ไหนบอกให้สังเกตใจน <c oughs> ี่เลยบอกทําไปเถอะเดี๋ยวรู้เองโอ้โหทั้งสิบห้าปีตั้งข้ามาบวชนี่ก็ยังไม่รู้นะบวชมาได้สิบวันสิเอ็ดวัน จึงเห็นไอ้ น, นี่อ้จิตมันว่างเองอ ม, มันมาเองลุงพ่อรู้อ้พอ่อตอนหลังอยากให้มันเป็นอีกมันไม่เป็นแลวแต่นี่มันมาโดยธรรมชาติอยากให้มันว่างอีกนินึ่ไม่มายิ่งอยากยิ่งไม่มาก็เปิดตาราพระไตรปิฎกพูดว่าโอ้ลุงพ่อดีใจขั้งทีสองก็คือไปเจอในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองเนี่ย หลักการปฏิบัติในหลักของไตรสิกขาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาพุทองค์ทรงอุปมาเหมือนกับโคเมลก่อนเล็มหญ้าชำเนืองดูลูกน้อยอาจารย์หลายคนก็พูดถึงโคเมนอ่อนนี้เนี่อย่างอาจารย์จุจินหลวงพ่อได้ยินกับหูเลยท่านอธิบายว่าเราปฏิบัติไปชำเนืองดูคนอื่นไปด้วยโคเมลอ่อนเลี้หญ้าชำเนืองดูลูกน้อยนะท่านบอกให้ชำเนืองดูคนอื่น คกิดเปฏิบัติผิดก็ช่วยแนะนําก็พ่อท่านโพธิรักก็เหมือนกันจ่างเมดูคนอื่นหลวงพ่อเอกใจตอนหลวงพ่ออ่านหนังสือของมหายานมหายานเขาบอกโคเนี่ยเหมือนใจแล้วหมือนกมู้ตะขี่โคตามหาโคโคเนี่ยหมายถึงใจขี่โคตามหาโคก็คือเรามีใจที่ว่างอยู่แล้ว จิดหนึ่งจิตเดิมอยู่แล้วไปเที่ยวไปตามหาอยู่ที่ไห น, นพาอก็ได้ไอเดียได้ความคิดอันนี้มาอย่างโอ้โคนี่มันต้องใจแล้วไปดูใจคนอื่นทาไมไปดูใจเราวั้งมาดูใจเราเป็นไงโยงความคิดหายไปเลยโอ้เหมือนวันนั้นเลยพอเราสังเกตใจแล้วความคิดมันหายไปโอ้โหดีใจรู้วิธีที่จะทำให้ใจมันว่างจากความคิด ส่วนมากที่เราไปนั่งสมาธิกันเรากําหนดลมให้ใจว่างกาหนดมือกําหนดเท้ากําหนดอะไรต่ออะไรยัไม่รู้ว่าการกําหนดอย่างน้งมันแทนที่มันจะสงบแทนที่มันจะว่างมันกลับเรากลับไปสร้างสิ่งที่ถูกรู้สร้างผู้รู้ขึ้นมาไม่ง้มันจะสงบอยู่กับสิ่งที่เรากําหนดปัญญาที่จะอย่างรู้ความจริงมันทั้งเกิดไม่ได้ เพราะมันยังมีสิ่งที่ถูกรู้มีผูรู้ปัญญาที่จะอย่างรู้ความจริงมันเกิดไม่ได้ตราบใดที่มันยังมีอัตราตัวตนเราจึตงต้องใช้ความคิดของเราเไปสรุปมันอีกเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันเที่ยงเห็นมันไม่เที่ยงมีตัวตนไม่มีตัวตนเห็นไหมนี่คือปัญญาแลยนะความคิดหรือเหตุผลซึ่งไม่ใช่ความจริง ปัญญาระดับความคิดหรือตรกะเหตุผลเนี่ยมันยังอยู่ในมิติของจิตสามมันจํานื้จิตเพราะฉะนั้นจิตสามมันทํานืกก้อของเรามันมีเพียงปัญญาระดับความรู้กับปัญญาระดับเหตุผลเราจรึงไม่สามารถจิตใอย่างรู้ความจริงได้เลยเราไม่รู้จักความจริงเลยตราบใดที่เรายังไม่สามารถจะขจัดกระบวนการความคิดที่สร้างสิ่งที่ถูกรู้สร้างผู้รู้ ให้มันสิ้นสุดลงแล้วก็ความจริงจะไม่เปิดเผยตัวมันเองเลยเพราะฉะนั้นผู้ชายเราดําเนินชีวิตด้วยกระบวนการความรู้เรียนมาจบปริญญาจบด็อกเตอร์เห็นไหมความรู้มากมายมันมีเพียงปัญญาระดับความรู้กับปัญญาระดับความคิดและเหตุผลเท่านั้นเองเราจรึงไม่รู้จักความจริงเลย ตาสีตาสาอยู่บนนอกเขาเห็นทำได้เขาไม่ต้องใช้ความรู้เขาไม่ต้องใช้ความคิดเขาแคเข้าถึงความหลวงพ่เทนไม่มีความรู้เลยท่านวยลางไม่มีความรู้เลยทําไมเข้าถึงทำได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นปัญญาตัวนี้ไม่ได้มาจากความรู้ไม่ได้มาจากความคิดเมื่อใดชีด้จิตแล้ว่างจากกระบวนการความคิดมันจะมีธรรมชาติรู้ใหม่ รู้เฉพาะในร่างกายรู้พร้อมทำอะไรตลอดนี่เขาเรียกสัมมัชย์ ญ, ญาแต่พอเราฝึกไปมากขึ้นจิตมันมั่นคงขึ้นอยู่ในความว่า ต, ตัวรู้ตัวนี้มันจะแผ่ขยายครอบคลุมทุกสิ่งรู้ในความเป็นทั้งหมดของชีวิตหรือเรียกว่ารู้ในความเป็นองรวมรู้ในความสมบูรณ์ของชีวิตเนี่ยในมิติของความจริงเนี่ยไอ้ตัวรู้ตัวนี้มันจะรู้อย่าง เป็นหนึ่งเป็นเอกภาพเดียวกันก็ต้องบอกว่าหนึ่งคือความหลากหลายความวุ่นวายคือความสงบในมิติของความจริงเนี่ยโยมไอ้ของคู่เนี่ยทุกสิ่งมันจะเสมอภาคกันเคอได้ยินไหมกิเลสก็คือพุท ธ, ธะแต่ในโลกของจิตใามันจำนึกเนี่ยทวิภวาไอ้ของคู่เนี่ยมันต่างกันนะ สูงต่ำดำขาวยาวสั้นถูกผิดดีชั่วในต่างกันแต่ในมิติงความจริงเนี่ยสูงต่ำดำขาวยาวสั้นถูกไปเนี่ยมันเสมอภาคกันถูกก็คือผิดดีก็คือชั่ว เ, เขาต้องบอกว่าในโลกของพระสีอานนี่โลกของพระสีอานเนี่ยคนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยออกจากบ้านนี่จำใครไม่ได้จำลูกจําเมียไม่ได้ ทุกสิ่งเสมอภาคกันหมดเลยไม่มีแตกต่างกันเลยไปพ้นทวิภาวะไปพ้นเหตุผลเพราะฉะนั้นทุกสิ่งมันจึงเป็นเช่นนั้นเองตามเห็นตามปัจจัยเหมือนไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดำไม่มีขาวเพราะในมิถิงความจริงสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกภาพเดียวกันเพราะฉะนั้นวิถีของการบำเพ็ญภาวนาก็คือ วิถีของความเป็นเอกภาพเนี่ยโยมจิตลับจิตเฉามันจำเนึกสรรพสิ่งเกิดจากความคิดเกิดจากการแบ่งแยกลกของความคิดสรรพสิ่งแบ่งแยกกันจิตจฉามันจำเนึกนี่ยแบ่งแยกมีเราเป็นศูนย์กลางแบ่งแยกจากสิ่งต่างๆเมื่อเราเข้าถึงความจริงไม่ติขงความจริงหรือโลกุตระกิจ ในมิตินั้นสปปรรพสิ่งเป็นเอกภาพเดียวกันเพราะนั้นความเป็นหนึ่งหรือวิถีขงความเป็นหนึ่งก็คือวิถีของการปฏิบัติที่เรียกว่าเอกายนะมโคยมเคยได้ยินไหมเอกายนามโคก็คือวิถีมักแปลว่าวิถีวิถีของความเป็นเอกภาพเนี่ยคือจิตเหนือสํานึกขนทางการไปดวดเนี่ยคือวิถีของความเป็นเอกภาพ ตอนนี้เขาบแปลว่าเอกายนามะโคเนี่ยแปลว่าทางนี้ทางเดียวจิตติปทั้งสี่ทางนี้ทางเดียวที่จะทําให้สัตว์เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ส่วนมากก็แปลกันว่าทางนี้ทางเดียวทางสายเอกเนี่ยทางนี้ทางเดียวเอกายนามคโคเนี่ยทางนี้ทางเดียวแต่ถ้าเราเข้าถึงสภาวะตรงนี้แล้ว ถ้าเราไปแปลว่าทางนี้ทางเดียวเนี่ยเราก็ไปยืนยันว่าผู้เจ้าสอนเป็นเอกังสวาทีคำสอนของเจ้าไม่ใช่เอกังสวาตีไม่ได้ยืนยันว่านี่ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนั้ชั่วคําสอนว่าเป็นวิพัฒนวาทีไม่อาจจะกล่าวได้ว่าอันนี้ถูกหรืออันนี้ผิดอันนี้ดีหรืออันชั่วนี่วิพัจนวาทีแต่เรามาแปลว่าทางนี้ทางเดียวถ้าทางนี้ทางเดียวมันก็เป็นเอกังสวาที ซึ่งไม่ใช่ไม่ตรงกับสภาวะเอากายนะมัคคูมันหมายถึงวิธีของความเป็นเอกภาพเมื่อจิตเราว่างแล้วเนี่ยสปปรรพสิ่งจะรวมลงเป็นหนึ่งเพราะนั้นการําเป็นภาวนาไม่ว่าเจะเดินยืนนั่งนอนทำกิจการงานเรากับสปปรรพสิ่งรอบๆตัวเราเรากับงานเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะทำให้สัตว์ในจิตใจและในนรกเปรตสุกายสเดียนี่เข้าถึงความบริสุทธ เอกายนามโคอิยังพิคุยสัตานังวิสุทติยาจะทำให้สัตว์นี้เข้าถึงความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่รู้จักการรับรู้อย่างไม่แบ่งแยกหรือวิถีความเป็นเอกภาพนี้เรายังเรายังค้นหาหนทางไม่เจอนยังหาหทางไม่เจอ พยงเราหันมาชำระลงดูจิตใจเราความคิดหายไปเนี่ยเราก็จะเข้าถึงความเป็นหนึ่งแล้วสักโตเห็นสักตว่าีนเนี่ยเราก็สับปะสิ่งเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีตัวเราแล้วไม่มีตัวเราเป็นศูนย์กลางแล้วเนี่ยเราก็ถึงความเป็นหนึ่งเนี่ยเรื่องการปฏิบัติเดินยืนนั่งนอนทําการงานอยู่เนี่ยถ้าเราเห็นจิตใจของเรามันว่างอยู่ด้วยเนี่ยเราก็เข้าถึงวิถีการปฏิบัติที่เรียกว่าเอกายนะมโคไม่ว่าจะทํางสายกลาง ไรสิกขาสติปฐานสี่นี่มันรวมลงเป็นสภาวะเดียวกันได้แต่ส่วนมากเราทำแล้วเราไปแบ่งแยกหมดเลยโดยจิตสามมันทำนึกนี่มันแบ่งแยกกายานุปัชนาเวทนานุปัชนาจิตานุปัชนาทำแบ่งแยกกันหมดเลย mm hmm. เห็นกายก่อนหรือจะดูจิตแต่สติปฐานสี่จริงๆนีโยมในขณะที่จิตเราว่างเนี่ยมันเห็นทั้งสี่ฐาน ถ้าเราเห็นทั้งสี่ฐานในขณะเดียวกันเนี่ยเราเข้าถึงมิติของจิตเหนือสำนึกอ่ะหลวงพ่อจะให้โยมเห็นทั้งสี่ฐานเลยโยมลองสังเกตใจตัวเองดูที่ขณะเนี้ยมีความคิดไหมถ้าโยมเห็นว่าจิตของเราเขาขณะเนี้ยไม่มีความคิดเลยมันว่าตาก็ยังเห็นหูก็ได้ยินรับรู้อยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเห็นกายและเห็นรูปเห็นกาย เห็นเวทนาด้วยเวทนาเป็นไงรู้สึกเป็นไงชี้เจยขณะที่เห็นจิตมันว่างเนี่เป็นไงเวทนาชี้เจยจิตเป็นไงไม่ได้คิดอะไรเล ย, เลยรับรู้อย่างนี้เลยว่าเห็นธรรมเพราะงั้นกายเวทนาจิตธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่สี่ชื่อเนี่ยตัวสติปัฏฐานสี่ในมิติของจิตเหนือสํานึกในมิติของความจริงมันไม่ได้แบ่งแยกกันมันเป็นหนึ่งเดียวกัน นิยมจะอธิบายในเชิงศีลสมาธิปัญญาในขณะที่เห็นจิตมันว่าจิตความเป็นปกติเกิดขึ้นแล้เนี่ยมันจะรับรู้เฉยๆสักตัวเห็นสักตัวกินเนี่ยศีลสมาธิปัญญานี้อไม่แหละคือทางสายกลางไม่มีของคู่เลยใช่ไหมไม่มีสูงไม่มีต่ําไม่มีดําไม่มีขาวมันต้องรวมลงคําสอนในวุฒิทางวจ้าที่อธิบายไว้อะไรก็แล้วแต่มันจะต้อง รวมลงเป็นสิ่งเดียวกันรวมกันได้ไม่ว่ายอมจะพูดทั้งใช้คลางไม่ว่าจะพูดใครสิกขาไม่ว่าจะพูดผู้ที่ปักกิจธรรมเริ่มด้วยสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันมันเป็นสิ่งเดียวกันมันหนึ่งการอธิบายโวหารจำนวนแค่นั้นเองแต่โดยสภาวะมันจริงๆเนี่ยมันเป็นเราไม่สามารถจะไปแบ่งแยกกันได้เลย เพราะงั้นการปฏิบัติก็คือโยนทํางานในยุทธประจําวันนึกขึ้นได้ตอนไหนจำเรื่องดูอะไรความคิดหายไปทําอย่างเนี้ยนึกขึ้นได้ตอนไหนเห็นใจมันว่างจำเรื่องดูแล้วใจมันว่าทําบ่อยขึ้นนานขึ้นเนี่ยไอ้ตัวว่างเนี่ยมันจะไอ้ความคิดมันจะน้อยลงความคิดมี่น้อยลงจริงจริงพอความคิดน้อยลงใจมันก็ว่างเห็นไหมพอใจมันว่างนานมากขึ้นเนี่ยไอ้ตัวรู้มันก็แผ่ขยายมันไม่รู้เฉพาะร่างกายเราเลยนะ แผ่ก็ะยายครอบคลุมทุกสิ่งเลยทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจนี่มันรู้ทีเดียวหมดเลยพร้อมเขาต้งเรียกรู้ในความเป็นทั้งหมดหรือความสมบูรณ์ของชีวิตปัญญาตัวเนี้ปัญญาญาณตัวเนี้มันจะรู้ในความสมบูรณ์หรือความเป็นทั้งหมดของชีวิตสิ่งนี้มีอยู่แล้วในคนเราทุกคนตอนพระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ ท่านก็ลำพึงว่าโอ้สิ่งนี้มันมีอยู่แล้วในคนเราทุกคนราปฏิบัติเราไม่ได้ได้อะไรมาใหม่เลยมันมีอยู่แล้วเพราะเอาวิชาทรให้จิตเราปรุงแต่งเกิดความรู้สึกมี ต, ตัวเราเกิดชอบเกิดชังกิเลสตัณาเกิดสิ่งนี้แหละบังหมดเลยโยมังคิดดูเราอยู่ก็จิตสามันทำนึกปุถิชนเนี่ยอายุเท่าไรแล้ว 30, 40, 5บ6ี่สิบห้าสิบหกสิบจนกระทั่งตายเราไม่เคยเห็นความจริงเราไม่เคยพัฒนาทาั้งๆเราได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธเราไม่รู้วิธีที่จะพัฒนาที่จะทำให้มันมีความสุขที่แท้จริงเราทุกคนแสวงหาอะไระเราไหมโยมแสวงหาความสุขไ ม, ไม่มีใครแสวงหาความทุกข์ แต่ในมิติจิตสะมันีมันเป็นของคู่มันมีสุขมันก็มีทุกข์มันเกิดจากความคิดความสุขก็เกิดจากความคิดความทุกข์ก็เกิดจากความคิดพระอาจารึงบอกว่ามันไม่ใช่สุขแท้จริงพอความคิดที่เลวกว่าสุขหายไปเราก็แสวงหาใหม่ล่ะทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายเนี่ยเราจะแสวงหาจนกระทั่งตาย แล้วไม่ได้เคยพบความสุขในแท้จริงเลยไม่เคยพบไม่เคยพบความสุขที่มาจากจิใจที่มันว่างมันจะมีความปิติอ่มเอืบเบิกบานล่าเลิงสดชื่นแจ่มใสผลพวงที่จะได้ก็คือร่างกายโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจะไม่เราจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคุณเราทุกวันเนี่ยมัน มันเครียดมาจากความคิดดําเนินชีวิตในความรู้สึกมีตัวเราเนี่ยมันเครียดมีความสุขก็เครียดนะมันก็เกิดจากความคิดนะเพราะฉะนั้นเราจึงอายุไม่ยืน่ะคนสมัยนี้อายุไม่ยืนห้าสิบหกสิบตายแล้วะยอดรักอายุเท่าไหร่สายยันอายุเท่าหกสิบตายแล้วคนสมัยโบราณพ่อแม่เราเนี่ยอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแต่เดี๋ยวนี้นคนอายุยืนขึ้นนะ ผู้สูงอายุเย็นขึ้นคนสมัยเก่าเข า, เขาอยู่กับฤดูการน้ำท่วมเขาก็ไม่ตกตกตกใจคนสมัยที่น้ำท่วมเน่ตกใจ <c ười> คนโบราณคนยุคชาวยุธยามคนชา่ายน้ถึงปีน้ำท่วมทุกปีเขาต้องปลูกบ้านแต่ถุนสูงบางทีก็ท่วมถึงพื้นเลยต้องหนุนกันก็ไม่ตกใจเลยน้ำท่วมก็ยาเรือพายเรือกัน เด็กๆโดดน้ํากันไม่มีว่ายน้ํำมันเป็นเลยเด็กวันน้องไม่เห็นก็ตกใจแหมชาวกรุงเทพน้ํามาหน่อยเตกใจก <c ười> ลัวน้ำํำหนึ่พ่ออยู่ยุธ ย, ยาแนละ้วไม่เคยเห็นความปลุกเราไม่รู้จักความสุขเนี่ยคนโบราณเขาไม่มีเรื่องราวมากมายเขาไม่ได้คิดอะไรมากอายุเขายืนเขาไม่เครียด คนรุงเทพมันเคลียดยุ่ไม่เยน็นมีแต่ความรู้สึกชอบบางชัางมางวันวันเราไม่เคยเห็นจิตที่มันว่างเลยทั้งๆที่จิตที่มันว่างเนี่ยมันมีอยู่แล้วเราไม่เคยเห็นมันเพราะฉะนั้นวิธีนักปฏิบัติปัญหาของนักปฏิบัติวนเวลาคือไม่รู้จักวิธีที่จะพัฒนาให้เกิดปัญญาอย่างรู้ความจริงเนี่ยปัญหาของนักปฏิบัติทุกวันเนี่ยอยู่ที่ ไม่รู้จักวิธีที่จะพัฒนาให้เกิดปัญญาอย่างรู้ความจริงถ้าปัญญาที่อย่างรู้ความจริงไม่เกิดเนี่ยความยึดถือต่างๆที่เรายึดถือไว้เนี่ยมันละไม่ได้มันวางไม่ได้ปล่อยไม่ได้เพาตราบใดที่เรายังไม่รู้จักวิธีที่จะพัฒนาให้เกิดปัญญาที่จะอย่างรู้ความจริงหรือประจักษ์แจ้งความจริงเนี่ย การละวางความยึดถือมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยยึดถือในอะไรยึดถือในอารมณ์ที่มันกระทบรูปม่างเสียงมั่งกลิ่นมัง่งรสอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบยึดถือความเห็นถูกผิดดีชั่วสูงต่ำความสังคมเวลาเนี่ยที่จะเลาะเบาแวงกันเนี่ยเรายึดถือในความเห็นของเราแล้วว่าอันนี้ถูก ไปเนี่ผิดแล้วไม่เคยเห็นว่าเราผิดเลยเราเห็นแต่คนอื่นผิดหมดยึดถือในรูปแบบพิธีลีตองยึดถือในความหมายภาษาอัตวาทุกวาทานใครมาว่าเราเป็นหมูเป็นหมาเนี่ยเราโกรธได้ดไเหี้ยสัตว์นี่โกรธยิ่งคนต่ําๆว่าเราว่าเราน่โกรธนี่คือความยึดถือ ความยึดถือพวกนี้ถ้าเราไม่เห็นความจริงเนี่ยเราเระวังไม่ได้ยความเห็นเนี่ยเราคิดว่าเนี่ยของเราถูกของคนอื่นผิดโดยเฉพาะความเห็นเนี่ยเรายึดถือในความเห็นของเรามากแต่ยมไม่รู้รู้ว่าความเห็นของเราเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงปัญญาเราความเห็นเนี่ยไม่ใช่ความจริงเราก็เอาความรู้ที่ไม่จริงเนี่ยไปบริหารจัดการชีวิตเรา การดำเนินชีวิตของปูชุชนเนี่ยเราไม่เคยเห็นความจริงเลยมีแต่สะสมมีแต่สะสมความยึดถือมากขึนข้นมากขึ้นจนกระทั่งตายไม่เคยเปล่าไม่เคยปล่อยวางไม่เคยละวางเลยโลภยคภัยไข้เจ็บมเนเร็งมนเสื็นกินตายหมด เดีย๋ยนี้คนใครอะยอดรักกับมะเร็งสายยันกับมะเร็งมะเร็งส่วนมากมะเร็งเนี่ยอันดับหนึ่งเยมะเร็งมันมาจากอะไรมันมาจากอนุมูลอิสระเซนเราเนี่ยมันถูกทำลายเขาบอกยาที่จะรักษามะเร็งได้ดีที่สุดก็คือในร่างกายเรานี่แหละ ถ้าจิตใจเราดีเนี่ยสมองมันจะหลั่งสาลสารพวกเนี้มันจะต่อต้านกับพวกโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้เพราะนั่นคนที่จิตใจดีใช่ไหมเขาถึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคนที่เครียดคนที่คิดมากพวกเนี้โรคความดันโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเร็งเอาไปกินหมด ไปถึงหกสิบไปถึงเจ็ดสิบตาหมดแล้วนี่หลวงพ่อตะไลหลวงพ่อเนี่ยเจ็ดสิบ้าแล้วหลวลงพ่ออายุเจ็ดสิบกาแล้วเนี่ยเกิดปีกุลเจ็ดแปดไม่มีโรคภัยก็เจ็บเลยโลคความดันลโลคหัวใจโรคอะไรอะไรไม่มีเลยหลวงพ่อไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์ฉันเนื้อปลาฉันปลาเนื้อสัตว์อื่นไม่กินหลวงพ่ออยู่ที่สวน อาสมครสิบสองเนี่ยหลวงอยู่เดยอยู่ในสวนมะม่วงเงียบเงียฝนตกเนี่ยเสียงกบเสียงเขียดเสียงนกหลวงพ่อกำลังปฏิบัติใตรวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกกายวิเวกเนี่ยเราทำได้สบาย คุปติวิเวกอยู่ง่ายๆแต่จิตไม่เวกเนี่ยโยมจิตวิเวกเนี่ยอยู่คนเดียวมันคิดอยู่คนเดียวโยมจะคิดว่ามันส ง, งบนะไม่ส ง, งบโอ้โหจิตของเราเนี่โ ย, ย, ยมเริ่มสังเกตโยมเริ่มสังเกตจิตใจเนาะโยมจะเห็นนะโอ้โหทำไมเราคิดมากมายขนาดนี้เราไม่เคยสังเกตมันเลยมันไม่ได้เห็นมันไม่ได้ยินอะไรมันก็คิดอนี คนที่นอนไม่หลับเนี่ยคิดใน ห, หนุนคิดในนี่เรื่องนดัดีเรื่อ ง, น, อง น, นั้นนะคิดมาก็เครียดใช่ไหยเนี่ ย, ยความเครียดมาจากไหนมาจากความคิดเรามารู้จักวิธีที่ทาให้ความคิดมันหยุดวิธีของพุทธเจ้าคูไม่ลงอ่อนเลีมยมญาชำเนืองหรือรู้น้อยเนี่ยหลายย่อจะทําให้เราหายเครียดทุกครั้งที่เราสังเกตใจเราเนี่ยความคิดมันจะหายไปเลย ความคิดจะหยุดบ้างเนี่ยมันถึงจะหายเครียดคนที่มันเครียดก็คือคิดตลอดเวลานอนไม่หลับมีแต่ความคิดไม่รู้จะทำยังไงนั่งสมาธิกับใบสะกดให้มันหยุดมันยิ่งเครียดใหญ่เลยคนที่ไปหวัดจริงๆจริงจั ง, จงบังคับจิตให้มันหยุดคิดเนี่ยโยมลุงพ่อเคยเห็นนะเครียดบ้าเลยว <c oughs> ิปะหลาก็เรีอกวิปเวลาไม่รู้จักวิธี โ oh, อ้ยการปฏิบัตินี่ทาไมถ้าจากวิธีนี่มันเอาเรื่องเนะี่ยจิตของเราเนี่ยทุกสิ่งมโนปุฒพังกมาธมามโนเธตามโนมยาจิตปัญหญ่จิตเป็นป น, นายทุกสิ่งสําเร็จที่จิตจิตของเราเนี่ยโอ้เห็นผีเห็นสางเมื่อไงจะให้มันเป็นอะไรโอ้โหจิตนี่มันมันวิเศษมันโอ้โหมาตรกานจริงจงิจิตมนุษย์เนี่ยนะเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ เราเป็นชาวพุทธถ้าเราไม่ได้ไไไดโอกาสไม่มีไม่ได้พัฒนาจิตให้มันไปสู่จิตเหนือสำนึกเข้าถึงความจริงเนี่ยโอ้ยเราจะเสียโอกาสมากเลยย่เสียโอกาสจริงๆที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยเป็นมนุษย์ได้พบคำสอนของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้พัฒนาเพราะแวนวทางการพัฒนาของหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดมา เกือบปีแล้วเนี่ยห้าหกครั้งแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยยอมจะทั้งจะต้องเห็นสภาวะจิตที่มันไปพ้นจิตสามัญจำนึกให้ได้ก่อนเรียกว่าเห็นหนทางขณะที่เราหันมาสังเกตจิตใจเราเนี่ยขณะทำงานทำการอยู่เนี่ยนึกได้สังเกตใจความคิดมันหายไปจะเกิดการรับรู้ชนิดใหม่ ไม่มีสิ่งที่ถูกรูก้ไม่มีผู้รู้ไม่มีการรับรู้อย่างแบ่งแยกนี่จุดเนี้ยต้องเจอตรงนี้ก่อนต้องเห็นตรงนี้ก่อนนี่คือจุดเริ่มตน้นไปพ้นการรับรู้อย่างแบ่งแยกศีลเริ่มเกิดแล้วกิเลส ย, ยังหยาบไม่แสดงออกมาแล้วกิเลส ย, ยังกลางนิวรณ์ต่างๆกามชั้นท่าพยาบาททีนมิท่าอุตตติกุกุจะความลงเอสงสัยพวกนี้มันจะหายไปเมื่อจิตของเรา มั่นคงในความว่างเมื่อจิตมันว่างมีพลังแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้หายไปเองอยู่ของมิดพวกนี้หายไปหมดเลยหลวงพ่อก็ไม่รู้มันหายไปเมื่อไหร่นะจากวันที่หลวงพ่อได้เห็นสภาวะจิตที่มันว่างจนกระทั่งถึงวันเนี้ยี่สิบสามยี่สิบสามปีแล้วหลวงพ่อไม่เคยหันเหนไปจากวิธีการนี้เลยยิ่งมันได้คําแนะนํา ที่พุทธเจ้าชี้ไว้ว่าโคไม่หล อ, อ, อนเลี้ยงญาติเราก็ไม่เคยแสวงหาคนทางไหนเลยเพราะจิตมันว่างแล้วเนี่ยไอ้นิวรห้ากิเลสอย่างกลางมันหายไปเองโยมมันหายไปทำโดยธรรมชาติมันใช้เราก็อยู่ก็จิตที่มันว่างโอ้พุทธเจ้าสารีบุตรเธอดํารงจิตอยู่ในอะไรกันะเนี่ยข้าพระองค์ดํารงจิตอยู่ในสุญญาตาไปเถอะก็ ลำรงจิตอยู่ในความว่างว่าเชฟก้โอ้เราเห็นในตรงนี้เลยแสดงว่าจิตของพระสาริบุตรเนี่ยนิวรณ์ห้าไม่มีแล้วอยู่กับความว่างเมื่ออยู่กับความว่ามันก็มีปัญญาปัญญายาณมันเกิดมาจากความว่ามันก็มีปัญญายานเป็นพื้นฐานของการกระทํำว่าจะคิดจะพูดทําประกอบอาชีพการงานเนี่ยมันจะเห็นพื้นฐานของจิตเราเนี่ยว่างอยู่ด้วยยอ เห็นไอ้ตัวว่างตรงนี้ถ้าเห็นไอ้ตัวว่างตรงนี้ยอมความรู้สึกก็มีตัวตนอัตตานี่ไม่มีถ้ายอมเห็นตรงนี้ตลอดเวลานะเนี่ยคือพระอาหารหันต์ในพุทธศาสนาล เ, เห็นเจ็ดิ้าเปอร์ซนี่ยพระอนาคา ม, มีเห็นห้าสิบเปอร์เซนตพระสกิทาคา ม, มีเห็นยี่สิห้าปอร์เซนยอมลงไปสํารวจตัวเองดูซิว่าวันวันหนึ่งไงเราเห็น ที่มันว่ากี่เปอร์เซนต์ลงวัดดูสิทุกครั้งที่เห็นเนี่ยตัวตนมันจหายไปเลยไม่มีตัวตน ว, วัดกันที่วัดกันที่ความรู้สึกมัน ม, มีตัวตนเพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์หรือพระอาาริยะบุคคลเนี่ยท่านจะต้องเห็นจิตของท่า น, นอยู่ตลอดเวลาอยา่างประสบการณ์หลวงพ่อยี่สิบปีเนี่ยใหม่ๆดูเหมือนเราจะต้องดูมันสังเกตมัน มเลีงดูมันนึกได้ตอนไหนมเฉมลืองดูมันวัราใหม่ๆต้องอาศัยสติเขาต้องเอาสติปัฏฐานสี่เป็นจุดเริ่มต้นของผูทิปกักขีธรรมลงท้ายด้วยมรรคมีองแปดหรือเริ่มด้วยศรลพอไปถึงผลมรรคมีองแปดนี่ตัวปัญญาโยามตัวปัญญา หน่งสอตัวปัญญามันจะกลับมาเป็นตัวนําตัวปัญญาจะกลับมาเป็นอีนญญลนหลักฐานของชีวิตแล้วตอนแรกมันเริ่มดิศีนเริ่มดิสติแต่พอไปถึงผลของมันมแล้วเนี่ยสติมันไปอยู่ข้างหลังเลยอยู่สติจะเกิดก็ได้ไม่เกิดได้เห็นไหมในมรรคบงแปลเขาต้งเอา สติสมาธิไปไว้ข้างหลังสมาธิทีไว้องค์องค์งหน้าองค์แรกเลยสมาทิทีคือปัญญาที่อย่างรู้ความจริงเนี่ยเป็นฐานของจิตใจลเลยถ้าเรามีปัญญาตัวเนี้ยเป็นฐานของจิตใจเนี่ยตัวตนไม่มีเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นคนบุ๋จิตใจแล้วสงบนิ่งเฉยเนี่ยจะมัน เจ้ปัญญาที่นี้มันมาจากความว่างมันมาจากการที่เราเห็นหลวงพ่อต้อบอกว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วในคนเราทุกคนสิ่งนี้เขาเรียกตัวตนที่แท้จริงของเราเขาบอกให้หาตัวตนที่แท้จริงให้เจอตัวตนหลอกๆมันเกิดจากความคิดเยตัวกูของกูเนี่ยมันเกิดจากความคิดแต่ตัวตนจริงๆเนี่ยมันคือสัจจะทุกคนทุกคน เกิดมาจากความว่างทุกคนเกิดมาจากสัจจะทุกคนเลยนะสัพพสิ่งสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตกัตามมีวิญญาณไม่มีวิญญาณกัตามปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดมาจากความว่างเกิดมาจากสัจจะทุกคนมีสัจจะอยู่แล้วมีไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาไอนั่นไม่ใช่ผล่องการปฏิบัติ คนต้อการปฏิบัติคือการละวางสิ่งที่มันบังอยู่แค่นั้นเองกระบวนการความคิดที่เกิดจากอาวิชากิเลสตัณหาอุปาทานความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้คือสิ่งที่มันบดบังเกิดจากอวิชาเพราะฉะนั้นเมื่อปัญญามันเกิดอวิชาก็หายไปแสงสว่างเกิ ด, ว ค, วกดความมืดก็หายไปเขาเลยบอกว่าปัญญา โลกสมิงปัดเโตปัญญาเป็นแสงสว่างของโลกเพราะฉะนั้เป้าหมายการปฏิบัติหรือการบำเพ็ญปานาก็เพื่อให้เกิดปัญญาชนิดหนึ่งอย่างรู้ความจริงแล้วละวางความยึดถือต่างๆเมื่อมันละวางความยึดถือต่างๆตัวตนเราก็หายไปเราจะดําเนินชีวิตด้วยความรู้สึกที่ไม่มีตัวเรา <Yeah. S 1> เป็นไปได้ไหมโยม ถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องยอมรับว่าพระอาหารหันต์มีในพุทธศาสนาแล้วพระอาหารหันต์นี่จะต้องไม่มีตัวตนตลอดเวลาเลยเราชาวพุทธเนี่ยเราต้องยอมรับว่าพระอาหารหันต์นี่จะไม่มีตัวตนร้อยเปอร์เซ็นเลย ก่อนเราจะเป็นเราจะได้ร้อยเอร์เซ็นเนี่ยเราจะต้องรู้หนึ่งก่อนหนึ่งงสามสี่ห้าเนี่ยพัฒนาไปอย่างนี้โยมวันนี้หลวงพ่อ ม, มาบอกก็คือมาบอกให้โยมรู้จักหนึ่งหนึ่งก็คือจำเนงดูจิตใจและใจมันว่างตัวตนหายไปเกิดการรับรู้ชนิดใหม่อย่างไม่แบ่งแยกไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีผู้รู้ปฏิบัติไปอย่างนี้ และจิตมันจะว่างมั่นคงขึ้นไอตัวรู้มันจะรู้พร้อมตัวรู้พร้อม ต, ร, ร, อมตรงนี้โยมจะรู้ในความทั้งหมดหรือความสมบูรณ์ของชีวิตเราเราจะดำเนินชีวิตโดยปัญญาตัวนี้เป็นพื้นฐานของของการกระทําตัวตนไม่มีตัวนี้เราจะเข้าถึงความสุขทแท้จริง โอ้ทุกสิ่งนี้มันเป็นง้ออย่างนั้นเองใหม่ๆเราทำด้วยความรู้สึกมีตัวตนเพราะงั้นกว่าโยมจะหาสภาวะจิตที่มันว่างแบบไม่มีตัวตนเนี่ยโยมจะต้องมีประสบการณ์เพราะเราเคยทำอะไรได้วยความรู้สึกมีตัวเรา ว่าโยมยะรู้จักสภาวะที่เป็นไปเอโดยธรรมชาติที่มันมีตัวเราเนี่ยนี่คือระดับหนึ่งแล้วที่เราจะต้องค้นหาด้วยตัวเองด้วยประสบการณ์ตัวเองสภาวะจิตมันจะสอนเราเองโยมสิ่งที่เราเรียนรู้จิตใจเราเนั่นแหละมันจะสอนเรา ทุกครั้งที่เราสังเกตเนี่ยมันเป็นการเข้ามันจะทําให้เราเกิดความเข้าใจและมันจะละวางความคิดมันจะน้อยลงน้อยลงแล้วงพ่ไม่รู้ว่าความคิดนี้มันหายไปเมื่อไหร่ความคิดมันจะน้อยลงน้อยล ง, ยไไยล ง, ยลงเราก็อยู่กับความว่างว่างสุญญตาอยู่กับความว่างอยู่กับสภาวะที่ไม่มีตัวตนอยู่ที่สามก็คือลงมาอยู่กับโลกที่มีสมมุติ โลกที่เป็นของคู่อย่างไม่ขัดแยง้งแบบนี้แต่ก่อนเราอยู่ในโลกด้วยความยึดถือมันขัดแย้งแต่พอเรามีปัญญาญาณเป็นพื้นฐานยังรู้ความจริงเราก็าใจโลกโลกต้องเป็นของคู่มีถูกมีผิดมีดีมีชั่วมีสูง ม, มีต่ำคนนี้สวยคนนี้น่าเกลียดแต่เราไม่ขัดแยงแ้งเนี่ยเพราะเราไม่มีความยึดถือแล้วเราเข้าใจโลกเราอยู่กับโลกอย่างไม่ทะเลาะกับโลกเนี่ย พระเจ้แต่ว่าเราอยู่กับโลกยังไม่ทะเลาะกับโลกล่ะเนี่ยโยมถ้าโยมเห็นสภาวะจิตที่มันว่างนั่นแหละโยมเริ่มเดินทางแล้วเราก็ปฏิบัติอยู่กับการงานนี่แหละทํางานทําการไปเดินยืนนั่งนอนทําอะไรต่ออะไรนึกขึ้นได้จำเรืองดูความคิดหายไปเดี๋ยวนึง อ, อย่าไปใช้กระบวนการความคิด ไปสรุปว่ามันเกิดมันดับมันเที่ยงมันไม่เที่ยงมีตัวตนไม่มีตัวตนไม่ต้องไม่ต้องหัวนมากลับมาอยู่กับกิจจามันจำนึกที่ใช้ปัญญาระดับเหตุผลอีกที่ไม่ประสบผลสำเร็เวลานี้ก็คือไปพิจารณานามลูกเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันไม่เที่ยงแล้วเลยสรุปว่าโอ้มันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เลยไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนมีตัวตนเกิดดับ เที่ยงไม่เที่ยงนี่มันยังเป็นเรื่องของกระบวนการความคิดในระดับจิตสามัญตํานึไม่ใช่ความจริงแล้วเห็นความจริงมันก็รับรู้เฉยๆอย่าไปใช้กระบวนการความคิดไปสรุปมันว่ามันเกิดมันดับมันเที่ยงมันเท่ยงสักแต่ว่าเห็นเห็นมันเฉยๆดูมันเฉยๆไม่ต้องก็จะว่ามันเกิดมันดับมันเที่ยงมันเที่ยงส่วนมากเราไม่เข้าใจเราคิดว่าการพิจารณาใจลับ เนี่คยคือความจริงคิดว่าเห็นไจรักเห็นอธิจริงเห็นทุกขงังเห็นทั้งนั้นตาแล้วนี่คือความจริงไม่ใช่อย่งเป็นเรื่องของความคิดต้องเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆโอ้ทุกสิ่งมันเป็นเช่นนั้นเองนี่แหละนี่ความจริงตาตาตาเห็นด้วยจิตที่มันว่างขณะที่จิตมันว่างเนี่ยมันเห็นแต่เช่นนั้นเองแหละตาตาตะ ขณะนั้นมันก็ละวางความยึดถือละวางอารมณ์ละวางความเห็นละวางสมมุติละฟังรูปแบบพิธีรีทองต่างๆหมดเลยความยึดถือทั้งสี่อย่างเนี่ยมันละวางทีเดียวหมดเลยในขณะเดียวกันเนี่ยดันั้นแนวทางของการปฏิบัติเนี่ยมหายานกันดีเทรวาสกันดีเนี่ยมันเป็นวิธีการเดียวกันเนี่ย มึงพ่อศึกษาของมหายาณเนี่ยปิรณาธรรมของเขาเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องอุบายหรืออะไรอะไรเลยเขาใช้ปิรณาธรรมปิรณาธรรมของเขาเนี่ยแม้เขาจะใช้ภาษาใช้คำพูดแต่เขามุ่งหมายให้สิตเนี่ยเข้าถึงจิตที่ว่างตรงนี้ให้เข้าถึงความว่างตรงนี้ก่อนแล้วก็พัฒนาจากจิตที่มันว่างตรงนี้จนมีพลัง เจ้ความว่างตัวนี้มันมีปัญญาจนปัญญาตัวนี้ยั่งลงสู่ก้นบึงจิตใจแต่นี่ไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทําประกอบชีวิปาณงานกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วจะเห็นใ้ตัวว่างตรงนี้ด้วยเนี่ยนี่เขาเรียกพุท ธ, ธะซึ่งก็ตรงกกระเถราวาสเราก็คือการดําเนินชีวิตด้วยอริมัคมีองแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์แรกเป็นฐานถ้าเราคิดโดยการเห็นฐานที่มันว่างอยู่เนี่ย หรือมีปัญญาเห็นฐานว่างอยู่นี่ก็เรียกว่าสัมมาสังกปะ mm hmm. การพูดถ้าเห็นฐานจิตว่างอยู่สัมมาวาจาสัมมาหมดเลยถ้าเห็นฐานจิตว่างแต่ส่วนมากแม้ในพระไตรปิฎกก็อธิบายกันเวลาอธิบายมักมีองค์แปด mm hmm. กายกรรมวัชีกรรมมโนกรรมอะไรล่ะกายกรรมสามมโนกรรมสี่อะไรนั่นแหะเอา กูฉุนกัมาบทมาอธิบายไม่ใช่ม้ายยนก็ถามว่าอาจารย์อะไรคือพุทธะวันนี้อากาศร้อนจังเว้ย <Yeah. S 1> อาจารย์ก็ตอบว่า <P uth uth> พุทธะคือวันนี้อากาศร้อนจังเว้ยายหนักสามปอนด์เว้ย hmm. ต้นเหลียวใบสีเขียวดอกสีชมพูอห้ <Yeah. S 1> เห็นไหมโอ้ม้ายานก็ตอบได้ตรงมากเลยเขาตอบในในทัศนะของอริมัคมีวงแปด ขณะที่เขาคิดเขาพูดเขาทําเนี่ยเขาเห็นฐานตัวว่างด้วยเขาตึงใช้ไอ้ตัวฟันหนูสองอันเนี่ยคําพูดของอาจารย์เนี่ยเขาเรียกพุท ธ, ธะการดําเนินพุท ธ, ธะก็คือการดําเนินชีวิตโดยอรยิยมรรคมีนงนแปดที่มีปัญญาหรือสมาธิฏฐิเป็นพื้นฐานถ้าเราคิดและเห็นจิตที่มันว่างด้วยถ้าเราพูดและเห็นจิตที่มันว่างด้วยถ้าเราทําก่าอาชีพคืองานเห็นจิตที่มันว่างเลยสติสมาธิสัมมาหมดเลย ถ้าเห็นจิตที่มันว่างตรงนี้เลยเรื่องการปฏิบัติของเราก็คือพัฒนาให้เห็นฐานขจิตที่มันว่างอย่ตรเนี้ยใหม่ๆเราจะเห็นสภาวะจิตที่มันว่างตอนที่มันไม่คิดนะเอาทุกคนลองสังเกตจกตใจตัวเองกันนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมใจมันว่าง ไอตัวว่างนี่แหละคือความจริงหรือสัจจะสูงสุดนี่คืออาสังกัตธรรมขณะที่เราเห็นเนี่ยตัวตนไม่มีไปพ้นชื่อพน้นสมมติพละนี่จะต้องเห็นจริงเนี่ยในขณะที่เราคิดในขณะที่เราพูดในขณะที่เราประกอบอาชีพการงานสัมมากัรมตะสัมมาชีวะสัมมาหมดเลยเขาต้องแปลสัมมาว่าชอบไงเขาไม่ได้แปลว่าถูกนะ คิดถูกพูดถูกทำถูกไม่ใช่ถูกไม่ใช่ตรงข้ามกับผิดอยู่ภาษาที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันเป็นของมันเป็นของโลกโลกมันเป็นของคู่แม้กระทั่งชอบก็มีไม่ชอบเห็นไหมโยภาษาเป็นของคู่หมดเลยเนี่ยแต่มหายานเขาใช้ภาษาที่เป็นของคู่นี่แหละสื่อไปถึงสภาวะจิตที่มันว่างในขณะที่จิตมันว่างเนี่ย ไอ้ของ ค, คู่เนี่ยมันจะไม่ต่างกันหรือมันจะไม่เหมือนกันในขณะที่จิตมันว่างเนี่ยมันไปพ้นเหตุผลในขณะที่จิตมันว่างเนี่ยของคู่เนี่ยมันจะไม่ต่างแล้วก็ไม่เหมือนเขาท้องบอกว่ากิเลสคือพุทธะถูกก็คือผิดดีก็คือชั่วเห็นไหมในมิติของความจริงสรรพสิ่งเสมอภาคกัน ไม่มีต่างกันไม่มีเหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นใครอ่านหนังสือหลวงพ่อท้ายเล่มหลวงพ่อจะมีปิชชารมอยู่เรื่องนี้ฉันตื่นแต่เช้าออกบินตบาดนกก็ออกหาอาหาร mm hmm. ตอนเช้ามันเหมือนกันแล้วมันต่างกันพระออกบินตาบาดตอนเช้านกก็ออกหากินตอนเช้าเหมือนกันแล้วต่างกันโยน เหมือนกันและต่างกันเหมือนแต่กันและต่างกันอยู่ถ้าเธอตอบว่าต่างกันหรือเหมือนกันนี่เชนจะตีเธอนะ่ตอบว่าเหมือนนี่ก็ไม่ใช่ตอบว่าต่างก็ไม่ใช่สรุปท้ายว่าวันนี้ได้อาหารพอฉันเล้วสรุกจะมีฟันหนูสองอัน ขณะที่พูดว่าวันนี้ได้หานพอฉันเนี่ยเห็นจิตที่มันว่างอยู่เลยลูกศิษย์เห็นจิตที่มันว่างอาจารย์ใจของผมไม่มีความคิดเลยเนี่ยใจว่างเธอยังขาดบางสิ่งแต่เขาไม่บอกว่าอะไรนะลูกศิษย์ก็ไปปฏิบัติโอ้ห้าปีกับมาใหมา่อาจารย์ยิ่งไม่มีความคิดใหญ่เลยตอนนี้ว่างไปหมดเลยเธอยังขาดบางสิ่ง จนกระทั้งวันหนึ่งลูกจิตรู้อ๋อที่เราขาดบางสิ่งคือสิ่งนี้เลยกลับมหาอาจารย์อาจารย์ผมยังขาดอะไรอยู่แสดงสภาวะที่สมบูรณ์อาจารย์เข้าใจเออเพันขาดบางสิ่งคือขาดการเห็นจิตที่มันว่างในขณะที่เราคิดเราพูดเราทําพิจารณาธรรม ของหมายาญก็จะสรุปลงตรงเนี้หนึ่งเห็นตัวว่างในก่อนสองพัฒนาไอ้ตัวว่างเนี่ยให้เป็นฐานของการคิดการพูดการทําในชีวิตประจำวันนี่คือความเป็นพระอาหารหันต์ในพุทธศาสนามันถึงจะไม่มีตัวตนและต้องเห็นตรงนี้ตลอดเวลานนะทุกขณะเลยนะเห็นไอ้ตัวว่างตรงเนี้ยสมบูรณ์จนไม่มีตัวตนถ้าเห็นไม่มีตัวอัตตา ถ้าไม่เห็นทุกครั้งที่เราคิดล้วพูดเราทำเนี่ยมันจะมีอัตตามีความรู้สึกกามี ต, ตัวเรา <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเทราวาด็ดีมหายาณกดีเนี่ยที่พ่อลุงพ่อศึกษาเนี่ยแต่เวลานี้เทราวาดเราเนี่ยถูกอภิธรรมกลืนหมดแล้วอภิธรรมก็จะแยกแยะจิตเป็นร้อยร้อยดวงมีเจตสิกเท่าไหร่พิจนะาใจลักรูปนะ้ำ เป็นเรื่องความคิดทางนั้นหลยแต่ในโลกความจริงเนี่ยสปปรรพสิ่งมันไปพ้นชื่อพ้นมัญญัติสปปรรพสิ่งเป็นเอกภาพเดียวกันยิ่งจิตละมั่นคงในความว่างทลายตัวรู้พร้อมรู้ในความสมบูรณ์นี่เขาเรียกความเป็นอง์รวมแล้วก็ลงมาอยู่กับโลกสมมุติโลกบัญญัติโลกของคู่อย่างไม่ขัดแยง้งสูงสุดสู่สามัญ น, นี่แนวทางการที่แม่ของพ่อ เพราะหนักโยมยังจับประเด็นหรือหนทางเห็นหนยังไม่เห็นหนทางเนี่ยสองสามสี่โสดาส ก, กิทานาคาไม่ต้องไปพูดถึงเลยและการปฏิบัติกับการทำงานในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันถ้าปฏิบัติในทัศนะโคไม่หลงอ่อนเลี้ยญย่าจำเริงดูลูกน้อยหรือใคสิกขาเนี่ยการงานที่ทำอยู่ในชีวิตประจาวัน การปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันเห็นไหมโยมทํางานอะไรอยู่กระตาอาบน้ำหุงข้าวหุงปลากวาดบ้านปวาดเนอนเห็นจิตมันว่างไปด้วยตัว ต, วตวนหายไปเห็นไหมเป็นการปฏิบัติอยู่ในชีวิตเราปฏิบัติอย่างนี้มันถึงจะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้โยมไปนั่งสม า, าธิสะกดจิตตัวเองให้มันสงบชั่วโมงสองชั่วโมงห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงออกมาใช้ชีวิตธรรมดามันก็เหมือนเดิม มันมไม่ได้ลดได้ละได้วางอะไรเลยเพราะมันไม่เห็นความจริงปัญญาที่มันจะยังรู้ความจริงมันเกิดไม่ได้ปัญญาที่ยังรู้ความจริงเกิดไม่ได้ความยึดถือต่างๆก็ละวางไม่ได้นี่หลวงพ่อพูดจากประสบการณ์ที่ปฏิบัติมายี่สิบกว่าปีหลังจากที่หลวงพ่อเข้ามาบวชได้สิบวันที่สิบเอ็ดหลวงพ่อเห็นสภาวะจิตที่มันว่า แล้วก็รู้วิธีที่จะทําให้จิตมันว่างนั่นก็คือโคไม่เหลอ็กอ่อนเลี้ยงยาชําลึองลูกลูกน้อยเนี่ยย่มไม่เห็นมันหรอความคิดเนี่ยเราจื้อนึงบอกอยากก้าวหน้าถอยหลังยอมอ่านและย่อมไม่เข้าใจให้อะไรว่าอยากก้าวหน้าถอยหลังก้าวหน้าก็ถอยหลังเนี่ยมันเป็นของคู่ที่ไม่แตกต่างกันในมิติของความจริง การตั้งม้อบอกว่าอยากเห็นปลาให้เฝ้ามองน้ําอยากเป็นพุท ธ, ธะให้เฝ้ามองจิตใจเนี่ยเพราะนั้นการปฏิบัติมันจําเนืองมันสังเกตจิตใจเราอย่าไปสังเกตตอนที่มันโกรธหรือมันมีอารมณ์เมื่อขนาดตอนไหนก็สังเกตมันตอนนั้นแหละทุกครั้งที่เราสังเกตแล้วเห็นใจมันว่างเนี่ยทําไปอย่างเนี้ยจนมันมีพลังเราจะรู้ว่ามันมีพลังโยมไม่ต้องไปให้ใครเข้ามา อะไรล่ะสอบอารมณ์ไม่ต้องยังไม่สอบอารมณ์อะไรยไปเอาเรื่องเมื่อวานไปเล่าให้อาจารย์ฟังจริงบ้างกูหกบ้างแต่งขึ้นบ้างอะไรบ้างแล้วอาจารย์ยัมาแก้อารมณ์นั้นได้ไอ้นั้นมันดับไปแล้วอารมณ์นั้นดับไปแล้วอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มาตัวเราเท่านั้นแหละที่ยาจะขจัดอารมณ์นั้นได้ถ้าราู้วิธีไม่มีใครมาแก้อารมณ์เราได้หรอกยอ ใครมาแก้อารมณนะ์ใครมาแก้อารมณ์ใครได้ตัวเรานี่แหละเราจะแก้อารมณ์ในขณะที่มันเกิดขึ้นโยมไม่ต้องไปเล่าให้ใครเขามาแก้อารมณ์ <c oughs> แก้อารมณ์ที่แก้อารมณ์เมื่อวานนี่เราดับไปแล้วไปแก้ อ, อ, อกะไรมันอีกอ่ะเพราะงัการปฏิบัติในทัศนะครูไม่ละก่อนเล่มย่านี่แหละ คือการแก้ลงทุกครั้งที่คือบนความคิดเกิดขึ้นสติมาในขณะนั้นเราก็ได้ดูมันทุกเป็นสิ่งที่ต้อกําหนดรู้เห็นไหมทุกเกิดที่ไหนที่ใจดูมันเฉยเฉยแล้วมันก็จะหายไปลาไปเข้าถึงในภาวะที่มันว่างนิโรธะทำอย่างนี้มากๆสังเกตมันไม่บ่อยดูมไม่บ่อยใส่ใจที่จะดูมัน การใส่ใจที่จะดูมันนี่แหละเขาเรียกการเรียนรู้ที่เรียกว่าศึกษาในพุทธศาสนาศึกขาเรียนรู้อย่างนี้ทำให้เกิดอะไรศีล ส, สมาธิปัญญาศงลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งเดียวกันในการเรียนรู้ตรงนี้ตนเองจ ะ, จะไม่มีใครเรียนจะไม่มีอัตตาไม่มีตนเนีย่ยโยมยมต้องปฏิบัติอย่างนี้มันถึงจะเอามาใช้ กับการดําเนินชีวิตในชีวิตประจําวันของเราได้ไปนั่งอยู่วัดโน้นสองชั่วโมงสามชั่วโมงไม่มีทางเลยโยมออกมาก็เหมือนเดิมโยมจะไม่รู้จักตัวเองเลยเพราะฉนั้นยินโยมสังเกตจิตใจเราบ่อยๆเราจะจักตัวเราโอ้ทำไมตัวเรามันที้โลภขี้โกรธใหม่ๆที่โยมสังเกตเนี่ยความคิดมันจะฟุ้งขึ้นมาโยมจะเห็นเลยโอ้ใจของเราเนี่มันมีแต่ความคิด โยมปฏิบัติไปนงี้อย่าไปทอ้อความคิดมันจะค่อยๆหายไปน้อยไปน้อยน้อยไปเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวเลยสัมมาถส ม, มาที่จิตที่ตั้งมัน่นเกิดเนี่ยเราไม่รู้ตัวมันเกิดเมื่ อ, อไหร่เราจะรู้ตอนที่อารมณ์มันมากระทบเรายังวันไหวไหมวันไหวหรือไม่วันไหวใครรู้อ่ะอาจารย์มาแก้เราได้ไหมไม่ได้เรารู้ตัวเราเองว่าเรายังวันไหวแล้วไม่วันไหวแล้ว ยิงไม่หวั่นไหวเท่าไหร่เราก็โอ้นี่สัมมาสมาธิและโยมจะรู้จักไอตัวอย่างรู้ตอนนี้โยมไม่รู้จักไอตัวอย่างรู้ที่เรียกว่าปัญญาญานตัวเนี้มันไม่ได้มาจากความรู้มันจะ ม, มาจากความคิดก็ถึงเรียกว่ามันอย่างรู้ตระหนักรู้เพราะงั้นการดําเนินชีวิตที่แท้จริงที่โอโชบอกว่าเราจะต้องดําเนินชีวิตอย่างตรหนักรู้นี่มันมาจากยานมันมามันมาจากปัญญาญาณ รู้ในความเป็นทั้งหมดของชีวิตหรือรู้ในความเป็นองรวมของชีวิตหรือรู้ในความสมบูรณ์ของชีวิตในทุกขณะเนี่ยโยใหม่ๆดูมือนว่าเราจะต้องตั้งใจมันมีตัวตนใหม่ๆเนี่ยโ ย, ย, ยมสังเกตดีๆทุกครั้งที่เราทําอะไรเรามีตัวตนจนกว่าโยมจะเห็นสภาพที่มันเป็นเองโดยไม่มีตัวตนเนี่ยกว่าจะเห็นตรงนี้ได้ก็เนี่ยโยมประสบการณ์ ของการปฏิบัติของเรานั่นแหละคือครูเรายิ่งเรามีความทุกข์มากเท่าไหร่นั่นแหละคือครูเราเนี่ยโยมอย่าไปน้อยใจทำบุญมาตั้งมากมายไม่เห็นบุญช่วยยิ่งทุกข์เท่าไหร่เนี่ยโยมยิ่งมีประสบการณ์ของปัญหามากเท่าไหร่สิ่งนั้นแหละ ที่จะทําให้เราเก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมถ้าใจแล้วมันว่างเฉยไม่มีความโลภไม่มีความโกรธ เ, เรานลกว่าเฮ้ยเราเนี่ยบรรลุแล้วจึงไม่ใช่ยิ่งมันเกิดพอใจไม่พอใ จ, อใจคือนัดคัดเกื่องเนยโยมสิ่งนี้แหละคือครูเราจะทําให้เราเกิดความเข้าใจความเข้าใจอย่างทราบซึ้ง มาจากการที่เราเข้าถึงประสบการณ์ตรงในขณะที่เราไม่พอใจเราเห็นมันนี่เขาเรียกประสบการณ์ประสบการณ์ตรงแล้วมันหายไปแล้วเราเรียกเขว่าโอ้ทราบซึ้งเราเข้าใจมันอย่างทราบซึ้งจากประสบการณ์ไม่ได้มาจากการอธิบายไม่ได้มาจากอาจารย์นูน่นอาจารย์นี้แม้กระทั่งของหลวงพอ่อผู้ชาติต้องบอกว่าท่านเป็นเพียงผู้ชี้ทางอคาตาโรตถาคตตา เราเป็นเพียงผู้ชี้ทางเราก็มีหน้าที่เดินทางถ้าเราไม่เดินดูเฉพาะเราจะเดินทางเราต้องเห็นทางรู้จักทางก่อนถ้ายมไม่รู้จักทางยมเดินไปตลอดชีวิตก็ไม่ถึงเป้าหมายเพราะเป้เปาหมายความจริงเ็แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ใจของเรามันไม่เคยว่า เราไม่เคยฝึกให้ใจมันว่างจากตัวตนเพราะฉะนั้นเมื่อใจมันว่างเราก็จะเข้าถึงเราก็จะอยู่กับสัจจะอยู่กับความจรงิงโอ้ทุกสิ่งมันเป็นอย่างนี้เองนี่คือสิ่งนี่คือความหมายที่แท้จริงของชีวิตนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตถ้าโยมเข้าถึงสภาวะตรงนี้โอ้โยมจะรู้ว่าโอ้เป้าหมายของชีวิตความหมายของชีวิตมันคือสิ่งนี้เอง คือการดำเนินชีวิตที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้เองเรามีพุทธศาสนาศาสนาที่สามารถพิสูจน์ได้เนี่ยยมยมได้อะไรมีอะไรมาเยอะแยะแล้วยมต้องตั้งปณิธานว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําให้ได้เนี่ยหลวงพ่อตั้งใจตอนตอนตอนเข้ามาบวชมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําให้ได้ จะต้องทางให้ถึงความสมบูรณ์ให้ได้หลวงพ่อไม่ชอบอยู่ตามวันไงนชอบชอบอยู่องค์เดียวเงียบเนียกายวิเวกจิตวิเวกอุปทิวิเวกแต่จิตวิเวกนี่ทำยากจังมันไม่ได้เอามาทางตาหูจมูกนิ้วกายมันก็เอาความจำเก่าๆมาที่เรามีประสบการณ์ทางโลกคิดในนู่นคิดในนี่เขาต้องบอกให้เอาสติเฝ้าดู ไอจิตรู้ตัวเนี้ยเฝ้าดูไอจิตรู้จิตรู้ตัวนี้มันมาจากความว่างสติเฝ้าดูไอจิตรู้ตัวเนี้ยยังต้องใส่ใจให้ความสําคัญกับมันมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําไม่ได้ในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตรงเนี้ยยัต้องตั้งกรณีฐา น, ย, า น, นยังงั้นยังต้องปราบรุดเอาพระพุทธเจ้า ท่านเป็นลูกกษัตริย์ต่อไปท่านจะได้เป็นพระราชาเป็นกษัตริย์ทําไมท่านจะละสิ่งนี้ได้เรามีอะไรนักหนาเงินทองจอมบัตพรพระจักรพรรดิกมีเพิเท่าไหร่เรายังสละไม่ได้เลยเนี่ยเลีมต้องปลาล้มเอาสิ่งที่พระเจ้าออกแสวงหาความจริงเนี่ยท่านก็ไปตายเอาดาบหน้า ยังไม่รู้จักอาอาจารย์ที่ไหนเลยยังไม่รู้แนวทางเพียงแต่นึกว่าทำไงเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแแค่นั้นเองไปเห็นคนแก่ไปเห็นคนเจ็บปห็นทาไงเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วแนวทางที่หลวงพ่อชี้แนกก็คือจุดเริ่มต้นหันมาสังเกตนึกขึ้นได้ตอนไหนสังเกตและใจมันว่าง เกิดการรับรู้ชนิดใหม่สักโตาเห็นสักโต้ได้ยินให้ได้เห็นสภาวะตรงนี้ให้ได้สภาวะที่เห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆขณะที่จิตมันว่างเนี่ยเป็นไงโยมปฏิบัติต ร, ตรงเนี้ยเอาตรงเนี้มากๆแล้วยมจะรู้เองว่าอ๊พอความคิดมันน้อยลงใจมันว่างมากขึ้นแล้วมันจะรู้พร้อมตาหูจมูกลิ้นกายรู้พร้อมไปหมดเลยเนี่ยโยมโยมจะเห็นความมาจรการรู้จิต วันนี้ลุงพ่อเอาซีดีที่พูดไว้วันแรกจุดเริ่มต้นเหมาะสาหรับคนที่ยังไม่เคยฟังลงพ่อมาแก <Yeah. S 1> ใไหนก็ไม่รู้ mm. ใครไม่เคยฟังลงพ่อมั่งเนี่ย mm. โอ้เยอะเลย mm. ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างแกประเด็นได้ไหม mm. mm. ประเด็นแรกคือค้นหาค mm. นทางไม่เจอกัน ขนทางการปฏิบัติขนทางการปฏิบัติเนี่ยมันไปพ้นจิตสามัญจำเนึกปัญญาญาณที่จะอย่างรู้ความจริงมันนึกจะเกิดขึ้นถ้าโยมยังอยู่ในมิติจิตสามัญจำเนึกที่เร็วกว่าอุบายเนี่ยปัญญาที่จะอย่างรู้ความจริงเกิดไม่ได้เช่นไปกำหนดที่เท้ากำหนดที่ท้องกำหนดที่ลูกแก้วกำหนดที่อะไรก็แล้วแต่มันมีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้ปัญญาที่จะอย่างรู้ความจริงมันเกิดไม่ได้มันเป็นชานเป็นสมาบัติ ได้สมาบัติเจ็ดมาบัติแปดแม้กระนั้นมันก็จะเป็นโลกิยะเห็นไหมยังเป็นโลกิย ะ, ยยะแสดงว่ามันยังมีตัวตนอยู่เมื่อโยมเห็นจิตที่มันว่างแล้วเนี่ยมันถึงไปพ้นจิตสามัญจำนึกที่มีตัวตนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ว่าจะทํากิจการงานคิดคดีพูดคดีทำอะไรการงานอยู่มันจะต้องเห็นจิตที่มันว่างตรงนี้อยู่ด้วยจึงไดเรียกว่า งานกับการปฏิบัติเป็นสิ่งเดียวกันไม่ต้องไปนั่งสมาธิไม่ต้องไปเดินจงกรมเดี๋ยวโยมก็เดินเดียเด๋ยวโยมก็นั่งเดียเด๋ยวก็นอนนี่ก็ทำอะไร่ะอะไรอยู่ในบททั้งสี่นี่แหละเพียงแต่ว่านึกขึ้นได้ตอนไหนโยมนะรู้ว่านึกได้ตอนไห น, น, น, ไ น, ไหนในสติเกิดสติเกิดตอนไหนชำเลืองดูใจแล้วใหม่ๆ ม, มันจะจ้องจ้องก็บําเลืองต่างกันชาเรืองด้วยทําไปด้วยอย่าเพิ่งหยุดงานทําไปด้วยชำเลืองดูใจแล้วแล้วยมจะเห็นว่าเออความคิดมันไม่มีหลือ ขณะที่มันไม่มีคลิปเลยเห็นยังไงเฉยเฉยได้ยินยังไงเฉยเฉยสักตาเห็นสังเนี่ยเขาพายะบรรลุธรรมอย่างนี้เอง mm. ไม่มีของคู่ๆเลยอีกคือสังไปเยี่ยมอาจารย์กําลังป่วยจะตายอาจารย์ให้ผมบอกทางให้เอาไหมไม่ต้องเว้ยข่ามาคนเดียวข่าจะไปเงคนเดียว <laughs> อีกคือสังบอกอาจารย์แต่ยังมีไปมีมานีไมใ่ใจทางนะเห็นไหม อของกูคู่เนี่ยเกิดดับไปมาเนี่ยไม่ใช่ทาง <Yeah. S 1> ยมจะไปพิจารณาใต้ลักเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันเทียเท่ยงมันไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่ทางหนุว <Yeah. S 1> ่าไม่ได้พูดว่าใครปฏิบัติอย่างนี้แล้วผิดนะหนุ่ม่าไม่ได้พูดว่าคุณพ่อถูกนะหนุ่มพ่าไม่ได้ตัดสินไม่ได้ลงความเห็นแต่ไม่ใช่ทางทางสายกลางก็คือสภาวะจิตที่มันว่า ไปพ้นของกู้คูนั่นแหละนถ้าใครจะมีคําถามอะไรบา้างโยมนี่หลวงพ่อมีหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือหลวงพ่อออกใหม่อมรินไม่ใช่อมรินนี่นะอมรินปริ้นติ่งก้ามาพิมพ์เนี่ยมุกงสูจิตว่างเล่มนี้มันจริงๆมันจะต้องเป็นเล่มแรกเขาทําแผ่นหายาเพิ่งไปหาเชอขึ้นเลยเพิงพิมพ์เพิ่งออกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย เล่มที่สองมันน่าจะเป็นเล่มนิพพานนิพพานน่าจะอยู่หลังเล่มนี้แต่นิพพานพิมพ์ไปแล้วหนังสือที่หลงพ่อพิมอมรินก็พิมพ์มีสามเล่มแล้วเล่มนี้เล่มแล้วก็นิพพานได้ในทุกขนานิพพานได้ในทุกขนาก็คือสภาวะจิตที่ไม่มีตัวตนนั่นแหละคือนิพพานทางสายกลางสู่อิชภาพแห่งชีวิตเนี่ยเล่มแรกเลยเนี่ยโยงไปหาซื้ออ่านได้เล่มนี้ ถ้าโยมอ่านเล่มนี้โยมจะเข้าใจจุดเริ่มต้นของการปฏิบตัติหลวงพ่อสรุปไว้สามระดับด้วยกันฮาใครมีคำถามอะไรบ้างไหมหรู้ว่าเข้าใจหมดแล้วเอ <laughs> าไหนโยมลงนั่งตรงๆนะหลวงพ่อจะให้เห็น มันจะมีความเย็ น, บบ น, นอย่างนั้นนะวาว่ า, วาดูมันที่เฉยไม่ต้องไปมันจะมีความจะมีความเย็นความอะไรของจิตเาอยู่ยนรดูในความเย็นแตอยู่แต่ว่ า, ามัามนอมองมันเฉย <S <S นั่นแหละนั่นแหละคือความสงบที่แท้จริงขณะที่ใจเราไม่มีความคิดเลยนั่นแหละคือความสงบที่แท้จริงความสงบตัวนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่ผลจากการปฏิบัต ความสงบตรงนี้มีอยู่แล้วความสงบนั่นแหละคือสัจจะสูงสุดสิ่งนี้คือจิตประพสชนของเราแระพะชระมีทางจิตตังพิคุยดูกนพิสุทั้์ตงหลายจิตของเราเนี่ยมันปกติอยู่นะพระพสอนอยู่นะอุปกิเลหิอุปกิชังอักันตุเกหิกิเลต่างๆที่มันจอนมาเหมือนเหมือนอักขันตุกาจอนมาทำให้ใจเราเศร้าหมองชั่วคราว ยมนึกขึ้นได้ยมสังเกตและใจมันว่างแค่นี้พอแล้วถ้ายมเบื่อเฮ้ยมองทีไรมันว่างทุกทียมขยายขณะที่ใจไม่มีความคิดมันเห็นยังไงศักตัวเห็นศักตัวเนี่ยโอเห็นเฉยเยไม่มีชื่ อ, ไ ม, มอไม่มีบัญญัติเลยเนี่ยเริ่มเรียนรู้อย่างเนี้ยยิ่งความคิดอะไรตัวอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเรายิ่งเรียนรู้มันยิ่งเข้าใจตัวเราพอเข้าใจตัวแล้วมันก็จะลกจะว่า มาจัดจันตรงที่ว่าพอจิตที่มันว่างแล้วตั้งมันเนี่ยนะโยมความคิดไม่มีเลยความคิดหายไปโอ้สุญญาตาอยู่ก็สุญญาตาพระสาลีบุตรเราก็อยู่ก็สุ ญ, ญิตาพระเจ้ายืนยันในขณะที่เราอยู่ก็ความว่างเนี่ยพอมีอะไรเกิดขึ้นนะโยมยืจะเห็นมันทันทีนึกถึงท่านโพธถธรมเอออยากเห็นปลายฝ้ามองค์นะถ้าเห็นอยู่ถ้าเราอยู่ก็ความว่างเนี่ยพอมีอะไรเกิดขึ้นเห็นทันทีเลยแต่ถ้าโยม ไม่เคยสังเกตมันเลยและโยมจะไปดูความคิดมันเนี่ยไม่มีทางที่จะเห็นมันหรอกความคิดมันหายไปแล้วสิ่งที่โยมจะเห็นคือความว่าเนี่ยโยมเห็นอะไรมัางเนี่ยส่ชนมากที่พู้ธุชนเราดูล้วก็เห็นว่าโอ้อันนี้มีวงกลมมีตัวหนังสือมีอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่โยมไม่เห็นคือพื้นของมันเนี่ยพื้นสีฟ้าหรือสีขาวก็ตามเราไม่เห็นมันเราไม่เห็นว่า เราเห็นแต่ปรากฏการ์เราไม่เห็นความว่างปราปรกฏการ์มันจะเกิดได้มันจะต้องมีความว่างเราไม่ได้เห็นพื้นฐานของเราเราเห็นด้วยประสาทสัมผัสเนี่ยมันจะเห็นแต่ปรากฏการ์เห็นคนโน้นเห็นคนนี้เห็นด้วยประสาทสัมผัสเนี่ยแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาญาณเนี่ยเราจะเห็นพื้นฐานในตัวว่างด้วยแล้วก็เห็นในตัวปรากฏการ์ด้วย การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราจะต้องเห็นไอ้ตัวว่างที่เป็นพื้นฐานของสรรพสิ่งเป็นต้นกําเนิดข อ, องสรรพสิ่งที่หลวงพ่อเกินมาตอนแรกที่เราบอกว่าอันนีจาน่าเสียดายฉันทําชีวิตหายสักครึ่งหนึ่งชีวิตหายของเราครึ่งหนึ่งก็คือตัวว่างนีง่แหละตัวชีวิตจริงๆต้นกําเนิดข อ, องเราจริงๆก็คือไอ้ตัวว่างนีง่แหละสิ่งนี้ถ้าเราเห็นมันจะมีบุปผาระดามานลื่นลมตัวตนจะไม่มี นี่คุณาาังคารเขแต่งเนี่ะหลวงพ่อดำหลิว่าโทรไปหาบ้านคุณาาังคารเจอภรรยาเขานัดวันนู้นวันนี้พอดีแกมาตายซะก่นไม่ได้เจอกันว <c oughs> ่าจะไปคุยกับท่านอะไรไม่ได้เจอกันท่านตายแล้วกันอืมพอเราเริ่มรู้อะไรต่ออะไรอย่างท่านอาจารย์พุทธทาสเหมือนสมัยไปหาใหม่ๆก็ไปนั่งดูท่านไปฟังท่านไม่รู้อะไรแล้ว พอเราเริ่มรู้อะไรมาท่านตายไปแต่ก่อนแล้วเลยไม่ได้ถามอะไรกันอและโยมเชื่อไหมว่าอาจารย์ต่างๆที่พูดอยู่ทุกวันเนี่ยพูดธรรมะพูดอะไรตัวอะไรเนี่ยไม่ได้เห็นไอ้พื้นฐานจิตที่มันว่างตรงนี้เลยน้อยองค์ที่จะมีโยมกันเหมือนกันถ้าโยมรู้เห็นจิตที่มันว่างตรงนี้ได้แล้วเนี่ยโยมจะรู้เลยว่าคนนี้พูดมาจากความรู้ หรือพูดมาจากประสบการณ์การปฏิบัติส่วนอาจารย์ที่หลวงพ่อยังไม่เจอท่านจะต้องมีตรงนี้อาจารย์ที่มีตรงนี้ฉันจะไม่จีงฉาไม่วัวแวออกมาทางโทรศัพท์ทางมีเยุอไม่ก็ออกคนนั้นไปเจอท่านอาจารย์มนตรีอยู่ป่าละอู ลูกศิษย์สองหลวงปู่ดุลอาจารย์นี่มีอาจารย์นี่เห็นอาจารย์นี่เห็นหลวงพ่อไม่ต้องคุยด้วยหลวงพ่อได้ยินท่านพูดทางวิญญเนี่ยหลวงพ่อก็รู้แลละขณะที่พูดเนี่ยไม่เห็นจริงนี่ด้วยเพราะการปฏิบททัติของเราเนี่ยต้องเห็นตัวว่างเนี่ยเป็นฐานเลยนะ ไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทําประกอบอาชีพทํางานให้โยมรู้ไว้เลยนี่คือการดําเนินชีวิตด้วยอริยมรรคมีองค์แปดที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานสัมมาทิฏฐิมันมาจากความว่าถึงจะเรียกว่าสัมมาสัมมาวจชาสัมมากรรมิตาสัมมาชวะไม่เขีมาแปลว่ากายกรรมวิชีกรรมโนกรรมอะไรนั้นสามอินทรีย์กัไม่ใช่ไม่ใช่นั้นเลยเขาเล่าเรื่องกัน อาจารย์คงมหายางกันทัง้งหวันนี้อากาศร้อนจังเว้ยเนี่ยคืออลีมักมีองแปดอาจารย์กำลังช่างไฟอยู่อาจารย์พุท ธ, ธะคืออะไรไฟหนักสามก้อนเว้ยขณะที่อาจารย์พูดเนี่ยท่านเห็นตัวว่างตัวนี้ด้วยนั่นก็คืออลีมักมีองแปดนั่นเองคนที่ทำอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าพุท ธ, ธะไม่ใช่พูดยาานะพุท ธ, ธะ พุท ธ, ธะหมายถึงผูดด้ดีดำเนินชีวิตด้วยอริยมรรคยงแปดอริยมรรคยงแปดมีอะไรบ้างคิดพูดทำประกอบวาชีพการงานในวิตก็คือชีวิตการงานในชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละใช่ไหมต้องคิดต้องพูดต้องทําลวกวาดบ้านถูเรียนอะไรต้นอะไรแต่ว่าเห็นไอ้ตัวว่างนี่ด้วยเนี่ยเขาเรียกพุท ธ, ธะหรือดําเนินชีวิตด้วยอริยมรรคยงแปดตัวตรงไม่มีถ้าโยม 25, 50, 7บห้าสิบเจ็ดิบห้าหายไปได้ร้อยเอร์เซ็นนี่โซดาตะกิตานาคาไม่ต้องไปถามใครว่าฉันเป็นโซดาฉันเป็นอนาคาฉันเป็นอะไรไม่ต้องเรารู้องเราคนเดียวเอยอมจะถามอะไรต่อไห ม, มวันนี้หลวงพ่อมีเอ3มพีสามไม่ใช่เอ3มพีสมเพมอือ เทพนี่หลวงพ่อพูดไว้คราวแรกเลยวันแรกเลยจุดเริ่มต้นในใครฟังหลวง พ, อ พ, อพ่อครบสามครั้งแล้วเนี่ยจับได้ไหมจับประเด็นได้ไหมโยมได้นะมไม่ใหม่เนยโยมนึกขึ้นได้ตอนไหนกำลังทำอะไรอยู่ อับนะอัท่าทำนึกขึ้นได้ต่าไหนโยมชำเลืองมันเลยนึกขึ้นได้เต่าไหนชำเนี่ยถือว่าปฏิบัติแล้วนะเนี่ยโยมไม่ต้องไปนั่งให้มันปวดมันเมื่อยขาชั่วโมงสองย่งไม่ต้องเด <c oughs> ี๋ยวเราก็เดินเดี๋ยวเราก็ยืนเดี๋ยวเราก็นั่งเดี๋ยวนอนเท <c oughs> วดาไปถามพระเจ้าว่าเพระองค์ปริบาลนายจรินข้าโมคะสงสารได้เราปฏิบัติในขณะเราปฏิบัติใน บ, บททั้งสี่อย่างไม่พักไม่เพียนไม่จงไม่ลอยเห็นไหม ขุจานะในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าโอคสูตรเราปฏิบัติในระบททั้งสี่ยังไม่พักไม่เพลียนไม่จมไม่ลอยไม่มีพักไม่มีเพลียนไม่มีของคู่เลยจิตของเราเนี่ยม่มีของคู่เลยเน้ขนาดเดินยืนนั่งนอนเนี่ยโยมทำอย่างนี้และโยมจะเข้าใจตัวเองเข้าใจคำสอนโยมจะศรัทธาขุจา้เราไม่เสียชาติเกิดแล้วไม่เสียเกิดเกิดจริง ก่อนจะตายต้องทําตรงนี้ให้มันได้ยี่ห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าทำไมตายซะก่อนเนี่ยหลวงพ่อว่าทุกคนเป็นป้าหลานหมดทําไมตายนะแต่มันก่อนมันจะตายซะก่อนนะ่ะสิเห็นไหมเนี่ยสายยันตายยอดรักตายไม่รู้เรื่องตรงนี้เลยญาติพี่น้องเราหลวงพ่อยังนึกคุณพ่อพ่อแม่ไม่รู้เรื่องตรงนี้เลยโอ้ร้อยคนจะรู้ตรงนี้สักสิบคนก็นยาก โยมลองนึดูร้อยคนเนี่ยจะรู้ตรงนี้สักสิบคนสิบเปอร์เซ็นี่ยยากโยมที่แสวงหาตั้งทุกวันเนี่ยอุปสรรคของนักปฏิบัติก็คือไม่รู้จักวิธีที่จะไปพ้นจิตสามัญจำนึกไม่รู้จักวิธีที่จะไปพ้นจิตสามัญจำนึกที่มีตัวตนไปอยู่กับอบายนั้นแล้วเป็นปีเป็นชาติสามปีห้าปีพอไม่ได้เป็นไงเบื่อเลิก ขันธามาเอาไปกินหมดหรือไม่ก็มะเร็งกอาไปกินหมดมะเร็งร้ายมากแต่หลวงพ่อเจ็ดิบเก้าแล้วหลวงพ่อยอมตายเมื่อไหร่ก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วก็อนุโมทนาโยมฟังมาสามหุนี่หนโยมต้องฟังบ่อยๆคนที่ยังคนที่ยังไม่เคยฟังเอาเอ็มพีสามนี่ไปฟังนะ โยมที่ยังไม่เคยได้เทปหรืงพ่อมีติดกระเป๋ามานิดหน่อย MP3 หลวงพ่อแจกไปสามรุ่นแล้วหมดหลวงพ่ อ, อติดยามมางั้นเองเนี่ยอันเนี้ย MP3 หลวงพ่อเนี่ยมีแต่ตัวปฏิบัติล้วนเลยนะคนที่มาฟังหลวงพ่อเนี่ย ถ้ามาจะเอาสวรรค์ อ, อะไรเนี่ยฟังไมนานเดี๋ยวก็เบื่อเพราะของลูกพ่อเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมีแต่ตัวจิตเรื่องของจิตเรื่องของการภาวนาล้วนๆเลยคือถ้าใครเริ่มปฏิบัติเห็นจิตตัวเองเนี่ยมันจะเริ่มมีความสุขเริ่มสนุกล่าเริงกับการปฏิบัติถ้าเห็นน้นทางแต่เห็นจิตตัวเองแล้วเนี่ยนะโยมจะเริ่มมีความสุข เห็นแนวทางแล้วกูรู้แล้วธรรมะเป็นยังไงอันนี้หลวพ่อแจกไปหมดแล้วนะคนที่เคยฟังแล้วคนที่ยังไม่เคยมาเอานะ